เงินทวายของนา ฮะฮะฮะหน้าไว้หน้าหน้าไว้ทางนี้เอาว้างไว้ทางนี้ ไม่ได้เราขายกลับมาเยี่ยมบ้านอย่าอยู่ที่นี่ก็อยากไปที่นู่นนะอยู่ที่นู้นก็อยากจะมาที่นี่นวดลาวหาที่ที่อยู่ไม่เจออยู่ที่ไหนก็ไม่ไม่สบายสักที ที่อยู่ของใจก็โดนกุบายจังที่เหลือวายอยู่อืมท่าใจสงบแล้วที่ไหนก็สุขดังนั้นนะถ้าใจไม่สงบมันก็ขันดวงตาท่านบอกชอบไปเก่าที่ไม่ขันอะ <c oughs> ที่มันขันคือใจไม่เก่าเป็นเก่าที่บ้านบ้านไม่ดีก็ย้ายที่อยู่ ที่นี่ไม่ดีก็ย้ายไปที่นู่นที่นู่นไม่ดีก็ย้ายกลับมาที่นี่แต่ครูอาจารย์ทางช่างใหม่ท่านก็บอกว่าแต่อยู่เยอะมันไดอยู่ใทยมันก็แบบกายเดียวสิเดียวแล้วก็ตัวเก่าอเจ้าของเก่า <c oughs> ทําตัวให้ใหม่สิทําตัวให้สงบทําใจให้สงบแล้วจะได้เป็นใจเป็นคนใหม่อย่าง <c oughs> ใจสงบแล้วดีไปหมด ที่ไหนก็ดีติดคุกก็ยังดีเลยด้สงบ ม, มีปลอพอไว้คุมของมีข้าวฟีที่อยู่ฟรีในคุกก็จะภาวนาได้ก็ถ้ามันจะไม่ได้ก็ขังเราอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็นั่งภาวนาไป นอกจากเขามีงานให้ทําก็ต้องทําทํางานก็มีสติไปกับงานที่เราทำํำส่วนใหญ่ก็ไม่มีงานให้ทําเขาก็ <c oughs> ให้เราคัางอยู่ในกองในกอ ง, งแล้วก็แล้วก็เภาอันดาลงาไปเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็ให้เราออกไปเดินเล่นแล้วก็ออกไปเดินเล่นเดินโยงกงเดี๋ยวถึงเวลาก็้เราไปกินคุกคุนดีสไตล์ข้าวกาแฟ อาหารที่อยู่ก็ฟรีนอนประพอ24ชั่วโมงแที่ที่มันทุกขอยู่มันจะพอวนาไหวไหมจ๊ะกันที่มันทุกเพราะมันไม่สงบไงถ้ามันสงบแล้วมันมันไม่มันไม่ดิ้นมันไม่มันไม่ทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะว่ามันใจมันดิ้นอยู่ในวังยังทุกข์เลยท้าวไม่ไปท้าวคนในวังทุกข์ อยู่นานๆก็เบื่อพระพุทธเจ้าอยู่ในวังยังต้องหนีออกมาเที่ยวข้างนอกวังเลยนะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธ, ธัตถะอยู่ในวังนี่โหด้วยมีทุกอย่างยิ่งพ่อเเฟ้นหาแต่ของดีๆให้หมดเลยลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆนีต่ต้องเป็นของหนุม่มของสาวของแก่ไม่มีของเน่าของเสียไม่มีไม่ให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเห็นความทุกข์ให้เห็น ทุกอย่างในโลกนี้เป็นสุขไปจะได้ไม่เบื่อจะได้อยู่แตเห็นของดีขนาดไหนเห็นไปานานมันก็เบื่อเลยลอกินอาหารจานโปรดดูสักเดินนึงเลยไม่ต้องกินอย่างอื่นสามวันละสามื้อกินเดือนเดียวมันก็เบื่อแล้วไม่ถึงเดือนอยากจะกินอย่างอื่นอยู่ในวัง มีของดีๆของงามๆของวิจิตพิสดารของละเอียดของเลอที่สุดเนะี่ยที่มีอยู่ในโลกนี้เขาส่งไปในวังหมดเน่แต่คนในวังก็ยังอยู่ในวังไม่ไดนะ้เดี๋ยวก็ต้องออกมาใจมันมันไม่อิ่มไม่พอกับของทั้งของที่มีอยู่ในโลกนี้ของที่มีในโลกนี้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆลาบยศสารเสริ มันไม่เคยทำให้ใจอิ่มใจพอมันจะทำให้ใจเบื่อถ้าเสพมันบ่อยๆมันก็เบื่อถ้าไม่ได้เสพก็ทุกข์พอเบื่อแล้วทำอะไรก็ต้องเปลี่ยนลดเปลี่ยนชาติใหม่อยู่ข้างในวังก็ต้องหนีออกมาแอบมาดูของนอกวังพอมานอกวังก็ไปเห็น ของที่ทําให้หน่ากลัวขึ้นอีกเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายทีนี้ก็เลยทําเห็นนักบวช ด, ด้วยก็เลยทําให้อยากบวชแล้วเลยเพราะเห็นว่านักบวชนี่เป็นผู้ที่แสวงหาการหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายพระมุตเจ้ากลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายเห็นคนแก่แล้วไม่อยากเป็น เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่อยากเป็นเห็นคนตายแล้วไม่อยากเป็นเห็นนักบวชรู้ว่าเขากาลังหาวิธีหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายก็เลยอยากเป็นนักบวชขึ้นมาพอมีโอกาสก็เลยไปเลยไปแบบไม่บอกใครงาน งานงานแบบนี้บอกใครไม่ได้เพราะไม่มีใครเขาเห็นด้วยหรอกเราไ่คุยกับใครดูฉันจะบวดนี่เขามีแต่ยับยั้งนี่วีโตอนอกจากคนที่เคยบวชแล้วหรือคนเคยศึกษาคนเคยเข้าวัดแล้วนี่ก็เขาจะอนโมนา้าวสำหรับคนทั่วไปนี่เขาว่าเขาว่าปฏิบัติแบบปฏิบัติแบบ สุดตรงสุดตองพวกไปบวชนี่มันพวกสุดตรงไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางน้องอยู่ดีกินดีอิ่มมีพี่มันนั่งสมาธิวันละสิบห้านาทียี่สิบนาทีก็พอจะหวังมาผลไม่พังหวังการหลุดพ้น แไม่หนุนก็ไม่เป็นไรเขายัางเขายัางยินดีกับการกินการอยู่ของเขาเขายัางติดในกา ม, มาสุขอยู่ในความสุขทางกามทางตาหูจมูกนิ้วกายาคิดว่านิพพานก็คือเป็นหลังจากที่ตายไปแล้วไม่ไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วเขาคิดว่าถ้าทาบุญทา ท, า, ทานรักษาศีลนนะ ดังสมาธิตายวันละเลกระน้อยก็พอแล้วเห ม, น, เมนจะเหมนจะ้องไปบวชเลยเพราะขางยังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติอย่างถ่องแท้คขากมการคิดไปตามความรู้สึกของกิเลสกิเลสมันไม่ชอบไม่ราบบวดอกเพราะการบวชเป็นการฆากิเลสกิเลสมันก็ต้องต่อต้าน แต่ในเวลาให้นั่งเฉยๆกินเหล็กก็ต่อต้านนะพอจะนั่งสมาธินี่รู้สึกอึดขึ้นรู้สึกรู้สึกรู้สึกอึดอัดขึ้นมาทันทีอ่ะหายใจไม่สะดวกหายใจไม่หายใจไม่สะดวกนะเป็นจะตั้งท่าสมาธิคือเริ่มอึดอัดนะบางคนนั่งเดี๋ยวเดียๆปวดศีรษะนะปวดแขนปวดเท้าปวดอะไรไหม นี่เป็นมายาเป็นเป็นกิเลสกิเลสสมาธที่มันจะคอยขัดคอยขวางการทำใจให้สงบพราเวลาใจสงบกิเลสทำงานไม่ได้กิเลสต้องอาศัยความคิดอาศัยการทำงานของใจาคิดแล้วนี่มันก็สบายมันก็ดึงได้ไปคิดทางกิเลสทัทสนทีคิดถึงลาบยศสรรเสริมคิดถึงรูปเสียงกิน่นรกต่างๆ ไม่ใคลคิดไปนั่งสมาธิไม่เคยคิดไปอยู่วัดกันนอกจากพวกที่เห็นคุณเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของการปฏิบัติเห็นคุณค่าของการไปอยู่วัดเท่านั้นถึงจะคิดไปอยู่วัดกันส่วนใหญ่แล้วก็ไม่คิดกันคิดแต่ว่าจะไปที่ร้านห้างไหนดีไปที่สมุนการ์ค้าที่ไหนดีไปที่รโรงภาพยนตร์ที่ไหนดี ไปหาความสุขทางตาหูจมูกมือกายซึ่งมันก็เป็นความสุขเองแต่ว่ามันเป็นความสุขปลอมมันไม่กี่ลำท้าววสุขแล้เดี๋ยวก็หายไปหายไปก็ปล่อยให้อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวก็ต้องหาใหม่หาเท่าไหร่ก็เหมือนกันเหมือนควันไฟนะเราจับควันไฟได้นะเราเราทำควันไฟขึ้นมาเนมันก็จางหายไป เอากระดาษถ้้มีฟันขึ้นมาเดีวควันมันก็จางหายไปไปหาความสุขก็เหมือนกันไปเที่ยวมันก็สุกันพอกลับมาบ้านความความสุขนั้นก็หายไปกายเป็นอดีตไปหมดกลายเป็นความทรงจาไปได้ไปเที่ยวที่นั่นได้ไปเที่ยวที่นี่แต่ความสุขที่เกิดจากการไปเที่ยวนั้นหายไปหมดนะกิเลสมันชอบอย่างนี้ กมันชอบหลอกให้เราไปหาความสุขปลอมถ้าเราจะมาหาความสุขจริงนี่มันจะต่อต้านมันจะไม่ให้เราอ้างนู่นอ้างนี่มีร้อยแปดปัญหาวันๆันหนึ่งกว่าจะได้นั่งสมาธิสักครั้งหนึ่งเดูเนี่ยเนี่ยมีต้องยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยมาฟังเทศไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยกลับไปบ้านก็ยังสู้มันสู้มันหลอกไม่ได้ หลอกให้ทำไม่นู่นหลอกให้ทำไม่นี่อยู่แล้วนะมีเรื่องให้ทำตลอดเวลาแต่เรื่องเรื่องสมาธิไม่มีอยู่ในตารางเลยมีแต่ทำนู่นทำนี่ติดต่อคนนั้นติดต่อคนนี้มีอะไรให้ทำร้อยแปดทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับนะแต่ให้ทำสมาธิ น, นี้ไม่ไม่มีถ้าเราไม่มากำหนดมาบังคับไม่มา เราต้องติดตารางเขียนตารางไว้เวลานี้นั่งสมาธิเวลานี้เดินจงกรมแล้วเราก็ต้องทำตามตารางที่เรากำหนดไว้บางคนก็ทำตารางแบบโกโ ก, โก้ไปเงี้ยงเวลาก็ไม่ได้ทำเอยลืมมาติดทุ่วละอย่างเื่ยความสงบนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริง สุขอื่นเหือกว่าความสงบไม่มีสุขนี้แหละเป็นนิจจังสุขขังอัตตาความสงบเนี่ยเป็นนิจจังจีรังถาวรเป็นความสุขจริงๆสุขแท้เป็นอัตตาเป็นของเราพอเราสามารถผลิตถ้าเราผลิตมันขึ้นมาได้แล้วเราสามารถผลิตมันไปได้เรื่อยๆเหมือนกับเราทำอะไรเนี่ยถ้าเราทำเป็นแล้วเราก็ทำไปได้เรื่อยๆ ถ้าเรายังขับรถไม่เป็นนี่ก็อยากขับรถไม่เป็นด้วยกันะถ้าเราไม่หัดขับเอแต่พอเราหัดขับได้ขับเป็นแลน้วนี่ก็ขับไปได้ตลอดว่ายน้ำํำก็เหมือนกันแต่มาไม่มีใครว่ายน้ําเป็นเลยถ้าไม่หัดว่ายมันก็ไว่ายไม่ได้แต่พอว่ายเป็นแลน้วนี่ก็ไว่ายได้ไปจนถึงตะวันตายเลยการทําสมาธิก็เป็นเหมือนการหัดว่ายน้ําหัดขับรถนี่ พอเราทำสมาธิได้เราก็ทำได้ไปตลอดอยากจะให้มันสงบเมื่อไหร่ก็ทำให้มันสงบได้มันเป็นอัตตาเป็นของเราความสงบเนี่ยเป็นความสุขที่แท้จริงดั้นเราต้องฝืนต้องบังคับใจเราที่มันติดอยู่กับการหาความสุขปลอมกันมาแบบ นับไม่ถ้วนชาติเนี่ยเอาเกิดมาแก่เจ็บตายเนี่ยเอาล้านคูณล้านมันก็ยังน้อยกว่ากวา ก, วากว่าจํานวนภพชาติของพวกเราเนี่ยพระพุธจาบอกอยากจะรู้ว่าเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกี่ครั้งก็ให้นึกถึงน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ ย, เ, ยเดี๋ยววันที่ยี่สิบหกนี้ก็จะหลั่งน้ําตากันเนี่ย แล้วน้ำตาเนี่ยมามารวมใส่ขันไว้เนั่นบอกว่าถ้าเอาของแต่ละภพแต่ละชาติมารวมกันเนี่ยมันจะมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรเอีกคิดดูต้องมาเกิดกลับมาเกิดมาล่องห่มล้องไห้ากันสักกี่ครั้งแต่จะได้น้ำตาขนาดน้ําในมหาสมุทรนั่นแหละคือการติดการหาความสุขปลอมของพวกเรากลับมาเกิดทุกภพทุกชาติก็มาหาราบยศสรรเสริญ มาหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายกันไม่ต้องมีใครสอนนะก่อนมาทุกคนเนี้ยเห็นเงินยิ้มเงินทุกคนเห็นตำแหน่งชอบไม่ได้ยินใครเขาสรรเสริญชอบชอบดูชอบฟังชอบยิ้มลดนมกลิน่นเวลาได้เสกแล้วมีความสุขแต่เวลาไม่ได้เสกมันก็ทุกเวลาสิ่งที่เรา ได้มาหายไปจากเราไปก็ทุกข์กันความสุขก็หายไปหมดเรียกว่าความสุขปลอมเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดปลายเบ็ดเป็นความสุขเล็กเล็น้อยปลาเห็นเหยื่อมันก็ทุกเหยื่อแล้วมันก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเอาถูกลากขึ้นไปจากน้าลงไปหม้อแกงต่อเคือความทุกข์ของพวกเรา เราก็ลังหาความทุกข์กันจากลาบยศ ส, สรรเสงจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าว่านี่คือความทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงเป็นความสุขเดียวเดียวความสุขแบบควันไฟให้มาหาความสุขแท้จริงกันดีกว่าด้วยการทำใจให้สงบด้วยการทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ เราจะได้พบกับความสุขที่จีรังถาวรที่จะอยู่กับเราเนี่ยไปตลอดนิบานังปาลังสุขขังนิพานแปลว่าอะไรนิพานแปลว่าใจที่ดับกิเลสได้หมดดับความอยากได้หมดหยุดความอยากได้หมดหยุดกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาหยุดความโลภความโกรธความหลง กิเลสตัณหานี่มันตัวเดียวกันนะเพียงแต่ว่าท่านสแสดงอาการต่างกันท่นเองแต่เป็นตัวเดียวกันตัวที่สร้างความทุกข์เหมือนเชื้อโรคเชื้อโรคที่เรื่อเชื้อโรคเอชเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายแล้วทีนี้มันก็จะทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพอกิเลสตัณหาโผล่ขึ้นมาในใจใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันที เ, นเวลาโลภเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขอ เมือเวลาโกรธก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ เ, เวลาหลงกับวิตกกังวลหลงที<ม>่ว่าของที่ไม่เจ้ของเราเป็นหลงว่าเป็นของเราพออะไรเป็นของเราแล้วก็เดือดร้อนแล้วเลของคนอื่นเป็นงานชิปหายมาไม่ว่าพอมาเป็นของเราขึ้นมานี่เราเดือดร้อนขึ้นมาเยอย่างแฟนของเรานี่เามื่อก่อนนี่ก็ไม่ได้เป็นแฟนเราไม่เอ็นเดือดร้อนนีย เขาจะเป็นยังไงจไปเที่ยวที่ไหนก็หลวงเขาเนาะพอมาเป็นแฟนเรานี่ไม่ได้แล้วเนะี่ยไนเที่ยวไหนไม่ได้นะถ้าไม่ขอนาาขอนะุญาตก่อนนี่ยนั่นละเห็นไหมเนี่ยกิเลสความหลงเป็นหลงคิดว่าของที่ไม่ใช่เพนของเราว่าเป็นของเราพอเป็นของเราก็อยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเราแต่พอเรารู้ว่าไม่ได้เป็นของเราเราก็ไม่อยากใช่ไหม แฟนของคนอื่นเขาเราไม่ไปอยากยุ่งกับเขาเลยในชะ่ไหแฟของคนอื่นเขาจะไปเที่ยวนไหนไปอะไรกับใครเราไม่เห็นเดือดร้อนเลยแต่พอเป็นแฟนของเรานี้เดือดร้อนขึ้นมาทันทีพอไปหลงคิดว่ามันเป็นของเราคิดว่าเราควบคุมบังคับเขาได้สั่งเขาได้ถ้าสั่งได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลน ที่กังวลกพราู้ว่าสั่งไม่ได้เมื่อรู้ว่าสั่งไม่ได้ไปกังวลทำไมความจริงอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดใช่ไหมแต่ความหนุ่มมันไม่ทาให้เราคิดด้วยเหตุด้วยผลคิดด้วยความอยากต้องเป็นไปตามความอยากของเราอย่างเดียวต้องดีกับเราอย่างเดียวต้องเป็นของเราอย่างเดียวทั้งที่ก็รู้ลึกๆอยู่ในใจว่า ไม่แน่นอนวันดีคืนดีเขาก็จากเราไปได้จากได้ด้วยหลายสาเหตุจากด้วยโยครคภัยไข้เจ็บจากด้วยอุบัติเหตุจากด้วยใจเขานอกใจเราแล้วเขาเปลี่ยนใจเขาเบื่อเราแล้ ว, ลวมันถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็จะปรงได้แล้วไงก็งต้องจากเราเราไปยากมันก็ทุกข์ไปเ ป, ปล่าๆเวลาเขาจากก็แสดงว่าเขาไม่ได้เป็นของเราแล้ว เห็นให้รู้ว่าเขาเป็นของเราชั่วคราวเป็นของยืมก็มาก็แล้วกันเดี๋ยวเจ้าของก็มาขอคืนก็คืนเข้าไปเวลายืมของเราไม่ค่อยเสียใจ้ยเวลาต้องคืนของเข้าไปเพราเรารู้ว่าเป็นของยืมมาเรวก็ต้องสืนเจ้าของไปนี่คือแก้ความหลงให้คิดว่าทุกอย่างเป็นของของเราชั่วคราวเป็นของยืมมาไม่ใช่ของเรา เป็นของชั่วคราวอย่าอย่าไปยึดอย่าไปถือว่าเป็นของเร า, าเวลาเรามาเรามีอะไรติดตัวมาบ้างร่างกายนี้ยังไม่มีเลยมาแล้วก็ได้ร่างกายนี้ออกมาจากท้องแม่ก็ได้ร่างกายนี้แล้วก็ร่างกายนี้ไปหาทรัพย์สมบัติข้าวของเงื่อนทองต่งางๆตอนนี้มีอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วเดี๋ยวเวลาตายเอาอะไรไปได้บ้าง เรามาตัวเปล่าๆไปตัวเปล่าๆแล้วมากังวลอะไรกับของที่เราเอาเอาไปไม่ได้เอาของของที่ไม่ได้เป็นของเรามันมีให้เราใช้ก็ใช้มันไปแต่ถ้าถ้าอยากจะสบายใจก็อย่าไปใช้มันดีกว่าใช้มันเท่าที่จำเป็นใช้น้อยๆใช้มากก็ทุกมากใช้น้อยก็ทุกน้อย ไม่ต้องใช้มันเลยได้ก็ยิ่งดีพระพุทธเจ้านี่ท่านเลิกใช้ทุกอย่างได้หมดลาบยศสารเสนรูปเสียงกลิกล่นรถท่านไม่ใช้มันออกบุตได้นะแล้วก็มาเลิกใช้ร่างกายเมื่อร่างกายก็ไม่ใช้มันไม่ใช้มันพาไปหาความสุขไม่ใช้มันเป็นที่พึ่งของใจใช้ธรรมะแทน ทำมังสารนังกัจฉามิแทนทำมังสารนังทำคืออะไรก็คือทำที่ทำให้ใจสงบศีลสมาธิปัญญารักษาศีลนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วสอนใจให้ฉลาดให้เห็นว่าความโลภความอยากจะนำไปสู่ความทุกข์เป็นแบบถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขที่มันบังหน้าความทุกข์ไว้ เหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็นมองไม่เห็นเบ็ด เ, เห็นแต่เหยื่อความสุขในโลกนี้ก็เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดปลายเบ็ดนี่เองมีความทุกซ่อนอยู่เบื้องหลังเป็นเหมือนยาขมเคลือบน้าตาลความสุขเคลือบความทุกข์เวลาได้รล้วใหม่ๆหวานเจียบเลยกเรานน้ำผึ้งพระจันทร์นะแล้วเดี๋ยวไม่นานมันก็จางหายไป นี่ขมเลยรดขมขมคืน่นทุกอย่างเป็นอย่างเงี้ยเวลาใหม่ๆมันก็ดีไปหมดแล้วพอสักพักหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปมันเสื่อมไปข้าของที่เราซื้อมาใช้ก็เหมือนกันนะแล้วซื้อใหม่ๆใหม่ก็ใช้ได้ดีใช้ไปสักพักก็เริ่มเสียแล้วพอเสียก็ทำให้นาคานใจละเดือดร้อนใจเพราะใช้ไม่ได้ต้องไปซ่อม ต้องรอเวลาส่อมเสร็จซ่อมแล้วบางทีเรากลับมาใช้ไม่กี่วันเสียอีก ล, mm hmm. ลทุกอย่างมันไม่เที่ยง ม, มันเป็นของชั่วคราวให้ความสุขกับเราได้ชั่วคราวแล้วมันก็จะให้ความทุกข์กับเรา mm hmm. ให้มองอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เ mm hmm. บื่อมัน พระพุทธเจ้าเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บคนตายนี่ท่านเกิดความรู้สึกเบื่อน่านกับการมีร่างกาย ท, ทันทีไม่อยากจะมีร่างกายมีแล้วมันต้องดูแ ล, ลรักษาต้องเลี้ยงดูแล้วต้องมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วของต่างๆที่หามาท่าเป็นแทบตายพอตายไปก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดหาให้คนอื่นใช้ ตัวเองไม่กล้าใช้มีก็ไม่กล้าใช้กลัวใช้แล้วเดี๋ยวหมดหมดแล้วเดี๋ยวจะเดืดอดร้อนก็เลยยิ่งหาใหญ่หาเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้จริงๆตายตายคนอื่นก็ทายคนอื่นไปคนอื่นมันก็มาโง่เหมือนกันเหมืนพอมันได้มันก็ไม่อยากจะใช้ไปใหม่ก็ใช้สักพักหนึ่งพอใช้แล้วเบื่อแล้วทีนี้นก็ต้องคิดถึงอนาคตแนละ้ว ถ้าเราหาความสุขได้หาความสงบได้เราไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราจะมีราบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาจะมีตาหูจมูกลิ้นกายให้ไว้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ต้องมีก็ได้หูหนวกตาบอด ก, ก็ไม่เป็นไรถ้าใจสงบแนละ้วมันบอกติดคุกก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าใจสงบแนละ้วมันไม่ต้อง ไปไห น, นมันไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องแบบหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่ที่ไหนก็ทาใจให้สงบได้ทาใจให้ให้ไม่หิวไม่อยากกับอะไรพอไม่หิวไม่อยากแล้วก็สบายไม่ต้องทำอะไรศรษกิจในพรรมจันท์เน อนที่บรรลุทำขั้นสูงสุดนี้เขจะบอกวุตสิต่างบรมจะารียังกิจในพรหมนี้นกิจในพรหมจารินี้อ่ได้สิ้นสุดลงแล้วกิจอื่นที่เหนือกว่ากิจนี้ไม่มีอีกแล้วให้ตัดความอยากตัดกิเลสตัญหาได้หมดแล้วก็ไม่มีงานที่ต้องทําอีกแล้วเหมือนรักษา โ, โ, โาครคภัยไข้เจ็บพอฆ่าเชื้อโรคในร่างกายหมดแล้ว รางกายก็หายเป็นปกติก็ไม่ต้องรักษาอีกแล้วยาก็ไม่ต้องกินอีกแล้วกินก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วก็ไม่ต้องเดินจงกรมไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องพิจารณาอาสุภะไม่ต้องพิจารณาอานิจจ์ทุกขังอนัตตาไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นอยู่เหมือนเด็กสบายกินแล้วนอน ดังนันเด็กมันทําอะไรมากวันวันมันก็กินแล้วนอนเนะี่ยพระอาหารนี่ก็เป็นเหมือนเด็กกินแล้วก็นอนนะั่นเองไม่มีกิจอะไรที่ท่านต้องทำํำท่านไม่ไม่มีอะไรร่างกายท่าน ก, ก, ก็ก็ดูแลมันก็คือกินแล้วนอนนะนะั่นเองอย่างอื่นท่านก็ไม่ต้องไปดูแลไม่ต้องไปมีความรับผิดชอบกับอะไรนอะกจากสัง่งสอนคนอื่นเท่า น, นั้นเองที่ท่าน ถือว่าเป็นการทําบุญเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้กันที่ดีที่สุดก็คือการสั่งสอนธรรมะการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงศาสน า, าพุทธเราจะไม่ค่อยเน้นเรื่องการไปทำํทำทําประโยชน์ทางอื่นเช่นอย่างศาสน า, าอื่นก็ไปสร้างโรงเรียนเขาไปเอาท้าวเอาของไปแจกอะไรนี้ควาจริงศาสนา คุณตอนนี้เล่นแต่แจกธรรมะเท่านั้นแหะแต่สมัยนี้พระไม่มีธรรมะก็เลยต้องเอาเข้าวของไปแจกแทนหรือไม่เฉะนั้นก็มีธรรมะแต่คนไม่ไม่ยินดีจะรับธรรมะยินดีจะรับข้าวของก็เลยต้องเอาเข้าวของไปแจกอย่างนลวงตาทั้งก็แจากทั้งสองอย่างแจกทั้งเงินทองแจกทั้งธรรมะ ไปรับภาป่าเพื่อเอาเงินทองนี้ไปช่วยชาติแล้วก็เอาธรรมะสอนเวลาคนมาถวาย้าพป่ารับ้าพป่าก็สอนให้ทำบุญทำทานให้รักษาศีลให้ภาวนาอันนี้ก็เป็นการสอนให้ให้คนรู้จักวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงพอมีความสุขที่แท้จริงแล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตาย กนก็เลยเอาอุบายของการไปรับภาคปาเพื่อมาช่วยชาตินี้เป็นอุมอายสอนคนโอกาสได้สอนคนคนมาทำบุญเาคนทำบุญเขามาตั้งใจทำบุญเพื่อช่วยชาติแต่เขาก็ได้ของแถมกลับไปได้ธรรมะแล้วถ้าคนไหนฉลาดฟังแล้วเข้าใจก็อาจจะเอาไปพัฒนาต่อได้ แเราดีไม่ดีก็อาจจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เห็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้ท่านทำทางานเผยแผ่ธรรมะเป็นหลัก ง, งานอย่างอื่นท่านทำไปแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะให้ทำท่านก็ทำไม่มีอะไรให้ทำท่านก็อยู่เฉยๆท่านไม่ต้องการอะไรทำก็ไม่ได้อะไรตัวเองไม่ได้ประโยชน์จากการกระทำ เพราประโยชน์ที่ตอนเองมีอยู่นี่ได้เต็มเต็มที่แล้วเหมือนกับแก้วน้ําที่มันน้ํามันเต็มแก้วแล้วจะเติมน้ําเข้าไปอีกเท่าไหร่มันก็ล้นออกมาใจที่เต็มด้วยบ ร, รมสุขมันก็มันก็ บ, บ ร, รมสุขก็คือบุญน่ะบุญมันเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจแนละ้วจะไปทําบุญยังไงอีกมันก็ไม่ได้ทําให้ได้เพิ่มมากขึ้นไปกว่านั้นเพราะมันมีอยู่เต็มในหัวใจ ท่านก็นลยไม่ต้องทำบุญพลาลานไม่ทำบุญไม่ต้องทำบาปไม่ทำบาปไม่ทำบุญกินแล้วนอนแต่ถ้ามีมีคนมาขอฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมก็สอนเขาไปอย่างที่นี่ไม่ได้เชิญใครมาเนี่ยมากันเองเมื่อก่อนนี้อยู่ของเราสบายไม่ต้องสอนใครกินแล้วนอนเดี๋ยวนี้ต้องลงมาสองโมงทุกวันเนี่ย มองมุมก็มีคนมารอฟังเทศฟังทํากันเมื่อก่อนไม่ต้องทําอะไรเป็นส บ, บายฉันเสร็จก็กลับขึ้นมาอยู่บนเกา่ากินล่นนอนไม่มีใครรู้จักมีก็เฉพาะคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนก็มีไม่มากปปลายวันวันหนึ่งจะไม่ค่อยมีคนขึ้นมาอาจจะมีบ้างวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ไม่มากสองสามลายห้าลาย ลังนั้นไม่มีใครรู้จกักอยู่เงียบๆสบายอย่างนี้ต้องออกมาพูดทุกวันพ อ, อถึงเวลาก็มีคนมารอตั้งแต่เริ่มทำธรรมะบนเขามา น, น, นี้มีคนมาทุกวันช่วงหน้าๆก็จะมาช่วงเสาร์อาทิตย์กันวันธรรมดาก็ยังไม่มีไม่มีถ่ายทอดสด ยังไม่มีลาโพงลาโพงเขาจะมาทําแต่เฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วต่อมาเห็นเริ่มเห็นมีคนมาวันธรรมดามากขึ้นก็เลยต้องหาจัดลาโพงขึ้นมาเพิ่มขึ้นอย่างนี้ก็เลยมีลาโพงทุกวันสามารถพูดให้คนได้ยินได้ฟังเต็มลานเลยก็พูดการเรื่องธรร ม, มนะเลยไม่ได้พูดเรื่องอย่างอื่น เพาไม่มีอะไรไ ม, มีคุณค่ายิ่งกว่าทำทาเป็นที่พึ้นของใจถ้ามีทำอยู่ในใจแล้วจะไม่มีความทุกข์ความทุกข์นี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นผลที่เกิดจากกิเลสตัณหาที่เป็นเหมือนเชื้อโรคส่วนธรรมะนี่เป็นเหมือนยารักษาโรคธรรมะโอสดพอเราเอาธรรมะโอสถเข้าไปในใจคือศีลสมาธิปัญญา มันแคก็มันก็จะทำลายเชื้อโรคคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีในใจนี้มันจะถูกทาลายไปหมดพอไม่มีเชื้อโรคแล้วร่างกายก็หายเป็นปกติใจก็เหมือนกันพอไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากความทุกข์ต่างๆก็จะไม่มีเลยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมันจะไม่ทำให้ใจทุกข์ เหตุการณ์ต่างๆนี้ไม่ได้เป็นตัวทำให้ใจทุกข์เป็นอาจจะเป็นชะนวนเท่านั้นเองแต่ตัวที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากเหตุการณ์ต่างๆมันอาจจะไปกระตุ้นความโลภความโกรธความหลงความอยากเช่นเสียงคนด่านี่พอเสียงด่ามันก็ไปกระตุ้นความโกรธขึ้นมาในใจเพราะไม่อยากให้เขาด่าความไม่อยาก ก็เป็นความอยากอย่างไม่อยากให้เขาด่าก็เป็นความอยากอ ย, ากอย่างเลยหรือเห็นของที่ชอบใจก็ลุกวาวขึน้นมาตื่นเต้นอยากจะได้ขึ้นมาของต่างๆมันไม่ได้เป็นตัวทําให้เราสุขหรือเราทุกข์มันเป็นตัวกระตุ้นให้เราสุขหรือเราทุกข์กันสุขก็สุขฟอร์มเห็น เห็นอะไรชอบก็สุขขึ้นมาได้อะไรที่ชอบมาก็ดีใจแล้วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นความทุกข์ไปเวลามันหายไปเวลามันจากอราไปแต่ถ้าเรามากำจัดตัวที่ทำให้เราทุกข์กันคือความโลกความโกรธความหนงความอยากต่อไปเห็นอะไรก็จะเฉยเห็นทองคำกองเท่าภูเขาก็จะเฉยเห็นเพชรเม็ดเท่ากาปั้นก็จะเฉยไม่รู้จะไปทำอะไรกิน ก, ก็กินไม่ได้ ย่าไปทําอะไรเพชรเม็ดเท่ากำปั้นเนี่ยใช่ไหมมันก็ดีใจเดี๋ยวเดียวได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวที่นี้ก็มาทุกข์กับการดูแลรักษาสิเราไปเก็บไว้ที่ไหนดีถ้าได้เพชรเม็ด เ, เท่ากำปันเนี่ย <Okay. S 1> วุ่นวายใจแล้วสิโอจะไปหาที่เก็บที่ไหนดีขายดีกว่าขายเาป็นเงินวันเดีกร์ได้ฝากธนาคารได้ ของเหล่านี้มันไม่มีความสำคัญใจเราไปหลงรักมันชอบมันไปเกียจมันเองแคนี้แล้วก็ไปสุขไปทุกข์กับมันพอได้ของที่เราเกียจมาก็ทุกข์พอได้ของที่เราชอบก็สุขสุขแล้วก็มาทุกข์กับการที่จะต้องคอยดูแลรักษาแล้วเดี๋ยวเวลามันจากเราไปก็ทุกข์อีกหรือมันไม่จากเราไปเราก็ต้องจากมันไปวันใดวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องตายไป เม็ดเท่ากำปั้นเราก็เอาไปกับเราไม่ได้ทองคำทั้งภูเขาเราก็เอาไปไม่ได้มาตัวเปล่าๆแล้วก็ไปตัวเปล่าๆไม่จำกันเนี่ยเดิมทิดว่ามาแล้วจะอยู่ไปไม่จะอยู่แบบไม่ไปแล้วจะอยู่กับสิ่งต่างๆที่หามาได้ไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยมันมันหลอกเรา เราจึงต้องพระเจ้าทรสอนให้คิดอยู่เรื่อยๆให้สอนเตือนใจเลยว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นจากความแก่ไปไม่ได้เกิดมาแล้วย่อมเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เกิดมาแล้วย่อมตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เก <ST> ิดมาแล้วต <c> ้องมีการพัดพากจากกันและกันเป็นธรรมดา ดวงพลไปไม่ได้แค่นี้ก็ลืมกันนะอะกลัวกันกลัวจะด่ากกันกลัวจะแก่กลัวจะเจ็บกลัวจะตายกันไปกลัวอะไรกับของที่อย่างที่กรมอุตุเขาพยากรณ์แล้วเดี๋ย ว, ยวนี้น้ําจะท่วมน ะ, ะ เ, ขเขาก็เตือนแล้วเขาบอกมนาะ ไ, ไปกลัวก็ยังกลัวน้ําท่วมอยูน่นะเมื่อรู้น้ํามันจะท่วมก็เตรียมตัวรับมันใส่หาเรือหาพายไว้เอ ที่สูงๆขนของขึ้นไปเก็บไว้ที่สูงๆเวลาน้ำท่วมมันก็ไม่เดือดร้อนอันนี้ก็เหมือนกันขนใจเราให้ขึ้นไปอยู่ที่สูงๆเ ส, สีเวลาความแก่ความเจ็บมันความตายเข้ามามันจะไม่ทำให้เราเดือดร้อนที่ที่จะทำให้ใจเราไม่เดือดร้อนก็ที่ที่ใจที่สงบนั่นแหละพอใจสงบมันไม่มันไม่สนใจเรื่องร่างกายแล้ว เวลานั่งสมาธิใจสงบใจรวมก็เป็นหนึ่งนี่มันไม่รับรู้เรื่องร่างกายร่างกายนั่งเจ็บปวดยังไงมันไม่ได้รู้สึกเลยคนที่จิตสงบนี่นั่งได้นานเพราะว่าจิตมันไม่ได้ไปสนใจกับความรู้สึกทางร่างกายนีเยถ้าเราอยากที่จะรับกับเหตุการณ์เช่นน้ำท่วมน้ำท่วมเราก็ต้องขนของให้ขึ้นไปที่สูง ความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ต้องสอนใจให้สงบอย่าไปต่อต้านอย่าไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแก่ก็แก่ไปเจ็บก็เจ็บไปตายก็ตายไปไอ้ที่แก่ที่เจ็บที่ตายมันเป็นใครไม่เคยสนใจพิจารณาดูมันเป็นตัวเราเหรอร่างกายนี้เป็นตัวเราเหรอมันเป็นตัวเราเมื่อไหร่มันเป็นของพ่อแม่ไนมะ่ใช่ถ้าไม่มีพ่อแม่มันจะมาได้ยังไง ร่างกายนี้มันก็เป็นการสร้างขึ้นมาด้วยธาตุของพ่อของแม่มารวมกันธาตุสีของพ่อของแม่มารวมกันแล้วก็เจริญเติบโตด้วยธาตุที่แม่เอาเข้าไปในร่างกายธาตุสีที่แม่เข้าไปร่างกายก็เอามาหล่อเลี้ยงร่างกายที่ที่ก่อร่างตั้งตั้งตัวขึ้นมาในท้องค่อยเจริญเติบโตทีละอวัยวะเดี๋ยวก็เกิดหัวใจเดี๋ยวก็เกิดตับ เกิดลำไส้เกิดอะไรค่อยๆเป็นขึ้นมาเดี๋ยวครบอาการสามสิบสองพออยู่ในท้องไม่ได้แล้วมันแน่นแล้วก็ข้อออกมาร่างกายมีอะไรบ้างรู้ตัวเราอยู่ตรงไหนในร่างกายเนี้เราอยู่ตรงไหนผมนี่เป็นเราหรือเปล่าขนนี่เป็นเราหรือเปล่าเวลาตัดผมทิ้งไปแล้วเราหายไปกับผมหรือเปล่า ไปแตับเล็บไปแล้วเราหายไปกับเล็บด้วยอ่าอาการเนื้องสาวทสองนี่มันเป็นแค่อาการมันไม่มีเราเราไปเคลมมันเราไปไปไปเรียกอะไรไปหมายมั่นขึ้นมาเองว่าเป็นเราไปสมมุติว่าเป็นเรานั่งกายนี้เราไปสมมุติว่าเป็นเราเพราะเราไม่รู้จักตัวเราว่าเป็นใครเราไม่รู้ว่าเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดนี่เราไม่รู้ว่า ไม่มีใครรู้แม้แต่นักวิทยาศาสตร์อันดับโลกที่ได้รางวัลโนเบลเขาก็ไม่รู้ว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันเขาก็คิดว่าความรู้ความรู้สึกนึกคิดนี้อยู่ในร่างกายมาจากร่างกายอยู่ในสมองอยู่ในประส า, า mm hmm. พวกที่เขาปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้าพวกนักบวชทั้งหลายเนี่ยเขารู้ว่า ร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันใจนี้เป็นเป็นเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเป็นผู้มาครอบครองร่างกายหลังจากที่สูญเสียร่างกาย เ, เก่าไปเวลาที่ไม่มีร่างกายใจก็จะเป็นดวงวิญญาณเราจะเรียกว่าเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี้ก็ล่องลอยไปหาร่างกายอใหม่ พอได้ร่างกายใหม่ก็เข้าไปยึดไปถือว่าเป็นของเราเป็นตัวเราอออกมาก็เลยคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราพออะไรเป็นของเราแล้วปัก็หวงอยากให้มันดีอยากให้มันอยู่ไปเรื่อยๆแต่ไม่ว่าได้อะไรมามันไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเสือ่อมมันก็ต้องเสียมันก็ต้องดับมันต้องหมดไปเพราะนี่คือธรรมชาติของสังขาร ของที่ผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้มันมีการเกิดแล้วมันจะต้องมีการดับใช่ของทุกอย่างในโลกนี้มันมาจากธาตุสี่ทั้งนั้นต้นไม้มันก็มาจากธาตุสี่ต้นไม้มันจะโตขึ้นมาได้ต้องมีดินมีน้ำมีอากาศมีความร้อนถ้าหนาวเป็นหิมะนี้ก็ต้นไม้ก็ขึ้นไม่ได้ไปดูที่คุ้งโลก ม, มีต้นไม้นะ ตอนนั้นมันไม่มีไฟธาตุไฟไม่มีธาตุดินมีธาตุน้ำมีแต่น้ำมันเป็นน้ำแข็งไว้ดินก็อยู่ดินก็ก็อยู่ใต้ดินอยู่ใต้น้ำแข็งนีอากาศก็เข้าไปไม่ได้มันก็เลยไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเจริงเติบโตขึ้นมาแต่พอมาอยู่ที่อากาศกำลังดีอากาศไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไป อันนี้ก็จะทำให้ต้นไม้ใบหญ้าอะไรถ้ามีน้ามีดินถ้าไปอยู่ที่ทะเลทรายก็แสดงว่าไม่มีน้ามีลมมีไฟมีดินแต่ต้นไม้ก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ก็เป็นหย่อมหย่อมตรงไหนที่มีน้ามันก็ขึ้นใช่ในทะเลทรายมันยังมีมีหย่อมน้ำอยู่ถ้าตรงไหนมีหย่อมน้ำก็มีต้นปาล์มต้นไม้เลยโผล่ขึ้นมาได้ มันมาจากอะไรก็ดินน้ำรวมใส่เรียกว่าสังขารการปรุงแต่งของดินนความผสมรวมกันของธาตุสีน่นี้เรียกว่าสังขารของตัวอย่างในโลกนี้เป็นมาจากสังขารรวมกันอาจจะไม่ครบทั้งสี่ก็ได้หรือครบก็ได้อย่างของต่างๆที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นธาตุดินแต่ก็ต้องอ า, า, าศัยธาตุไฟก่อนที่จะมาทําให้เป็นชิ้นเป็นอันได้มันก็ต้องเอาไฟมาหลอมมันก่อนนะ มาล้อมเหล็กมาล้อมอะไรแล้วก็มาทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างพลาสตกพลาสติกอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นของแข็งอะไรก็เรีวาธาตุดินอะไรที่เป็นความร้อนก็เรียกว่าธาตุไฟอะไรที่ทําให้อะไรที่มันเหลวก็เรียกว่าธาตุน้ำํำของพวกนี้มันก็เป็นการผลิตรวมตัวของธาตุสี่เทนั้นแล้วของอะไรที่มารวมกันแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแยกทางกัน ใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันก็มันก็เสียมันชำรุดนเของมันก็จะหลุดเี่ยติดอะไรไว้เดี๋ยวมันก็หลุดออกมากาวเนี่ใหม่ๆก็ติดมันก็นั่นแปะทิ้งไปสักพักต่อไปกาวมันแห้งขึ้นแห้งขึ้นแรงดึงแรงดูดให้ของมาติดกันมันก็จะอ่อนไบเนี้ยอยู่ดีๆมันก็หลุดออกมาเพราะธาตุน้ำมันหายไปธาตุน้ำมันเริ่มระเหยออกไปทําให้ ความดึงดูดของกาวมันหมดกําลังของทุกอย่างนี่มันทํามาจากธาตุสี่ในน้ํานมไฟนะเช่นเดียวกับร่างกายของเรา เ, เราก็ได้ธาตุสีของพ่อของแม่มารวมกันแล้วก็สายธาตุสีของแม่สร้างให้มันเจริญเติบโตพอ อ, อมาใหม่ๆก็สายแม่เป็นคนป้อนธาตุสีให้ป้อนนมให้นมก็มีทั้งธาตุดินธาตุ ธาตุน้ำนาฬิกาสายความอบอุ่นของแม่ของผ้าห่มให้ร่างกายไม่ไม่ไม่เย็นแล้วกาสายลมหายใจอากาศลมที่เราหายใจไปนี้ก็เข้ามาเข้าออกนี้คือธาตุลมน้ำที่เราเดืม่มน้ำที่เราถ่ายออกมาก็เป็นธาตุน้ำอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วถ่ายออกมาก็เป็นธาตุดิน แล้วมันเข้าไปแล้วมันก็ไปเสริมอวัยวะต่างๆไปเสริมไปไปไปสร้างไปขยายถ้ากินเยอะๆท้องก็ใหญ่ขึ้นลาไส้ก็ใหญ่ขึ้นเนยเนื้อหนังอะไรก็ใหญ่ขึ้นถ้ากินเยอะถ้ากินน้อยมันก็ไม่ใหญ่มันก็มาจากธาตุสีที่เรากินเข้าไปน่แหละกินเข้าไปแล้วเดี๋ยวถึงเวลาพอเข้าไปไม่ได้มันก็มันก็มันก็ เสื่อมมันก็หยุดพอหยุดหายใจเนี่ยพอลมไม่เข้าแล้วมันก็ที้ทุกอย่างมันก็เริ่มมีการแยกตัวละพอลมไม่เข้าลมก็จะมีแต่ลมออกลมที่ออกมาก็เป็นกลิ่นที่เราเหยอออกมาน้ําก็จะละถ้าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวน้ํามันก็จะไหลออกมาทิ้งไปนานๆเข้ามันก็จะแห้งกรอบ ไฟมันหายไปตั้งแต่ลมพอลมมันดับไหมไฟมันก็ไปเพราะมอฟกับลม я, นะร่างกายเนี่ยไปจับดูเล like. ตายไม่กี่ชั่วโมงนี่เย็นแล้วธาตุไฟมันไปละเนื้อแต่ธาตุดินกับธาตุน้ําส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวธาตุน้ําก็ไหลออกมาน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ําอะไรต่างๆต่อไปทิ้งไว้นานๆเข้าร่างกายก็แห้งกรอบก่อนจะแห้งกรอบก็เน่าก่อน แล้วแล้วก็แห้งกรอบผุพังกลายเป็นดินไปก็มีแค่นี้แล้วตัวเราอยู่ตรงไหนให้พิจารณาร่างกายว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่ีส่ส่วนไหนเป็นเรายมีแค่อาการสามสิบสองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพวกนี้ไม่ใช่เราเราอยู่ที่ไหน เราก็อยู่ที่ความคิดเนี่ยพอคิดเราคิดว่าเป็นเรามันเป็นเพียงแต่ความคิดคำว่าเราตัวเราของเรานี้มันออกมาจากความคิดผู้ที่คิดก็คือใจที่เป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีรูปร่างหน้าตามีแต่คุณสมบัติคือมีความรู้สึกนึกคิดเนี่รู้เนี่ยเราพูดอะไรกันเนี่ยใครเป็นผู้รู้ร่างกายเป็นผู้รู้หรือใจเป็นผู้รู้ ถ้าร่างกายเป็นผู้รู้ทำไมเวลาตายคุยกับมันไม่รู้เรื่องเวลาร่างกายตายไปนี่คุยกับมันมันไม่ได้ยินมันไม่รับรู้อะไรร่างกายมันเหมือนต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่มีดวงวิญญาณไม่มีใจคุยกับต้นไม้คุยกับเสาตอนนี้มันไม่รู้คุยกับร่างกายคุยกับแขนกับขากับเนื้อกับเอ็นกับกระดูกมันไม่รู้ผู้รู้นี้คือใจที่ไม่ได้เป็นร่างกาย เป็นผู้ที่มาครอบครองร่างกายวิธีใจติดต่อกับร่างกายนี้ติดต่อผ่านกระแสใจที่เรียกว่าวิญญาณหาวิญญาณในขันห้าวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูทางรูปทางใจส่งเหมือนกับส่งสายไฟมาเกียบปลั๊กที่ร่างกายร่างกายมีปลั๊กอยู่ห้าตัวปลั๊กที่ตาปลั๊กที่หูปลั๊กที่ลิ้นปลั๊กที่จมูก รักทีร่างกายพอเสียบป๊บอะไรมาสัมผัสกับทวารทั้งห้านี้ใจก็รับรู้ทันทีพอมีรูปมาสัมผัสกับตามันก็ส่งไปที่ใจตัวตัวสายไฟที่มาเสียบกับปับ๊บมันก็ส่งสัญญาณภาพไปส่งสัญญาณเสียงไปเหมือนมือถือเนี่ยเวลาเราจะฟังหูฟังแล้วก็ใช้สายเสียบเข้าไปที่เครื่องแล้วมันก็เสียงมันก็วิ่งเข้าไปที่หูเรา อันนี้ก็เหมือนการใจคือผู้รู้ผู้คิดในการอาศัยวิญญาณเนี่ยวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูมาเสียบที่ตาหูจมูกล่นงกายพอเสียบปั๊บนี้พอพูดอะไรพอเห็นอะไรก็เห็นทันทีรู้ทันทีเห็นภาพเห็นได้ยินเสียงอะไรต่างๆถ้าถ้าใจถอนปลักทั้งห้าปลักออกก็จะไม่รู้เวลาที่นั่งสมาธิก็เหมือนถอนปลักถอดปลักออก เวลานั่งสมาธิเราใช้พุโทโธดึงปั๊กห้าตัวนี้ออกไปไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดพรรมาใจก็รวมแปะเข้าไปรวมเป็นหนึ่งปกติมันจะกระจายออกมากระจายออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มารับข้อมูลต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายพอนั่งสมาธิเราจะดึงให้ปั๊กทั้งห้าตัวนี้คือวิญญาณทั้งห้านี้กลับเข้าไปในใจให้มันหยุดทางานชั่วคราว พอมันหยุดทำงานป๊๊บใจก็ไม่รับรู้เรื่องร่างกายเลยเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลพระนี่ใจหยุดรับรู้ชั่วคราวตอนที่ใจสงบน่ข้าใครยปฏิบัติสมาธิแล้วก็จะเริ่มเข้าใจว่าร่างกายกับใจนี้มันมันเป็นคนละส่วนกันร่างกายตายไปใจก็ไม่ได้ตาย เพราใจมันไม่มีไม่มีรูปไม่มีรางมันไม่ได้มีส่วนประกอบเหมือนกับร่างกายใจนี้เป็นเป็นหนึ่งก็เรียกว่าธาตุรู้แต่เหมือนก็บธาตุดินธาตุดินนี่ก็ไม่มีวันตายดินมันจะต้องเป็นดินเสมอน้ําก็จะเป็นธาตุน้ําอยู่เสมอลมก็จะเป็นธาตุลมอยู่เสมอมีมีธาตุอยู่หชนิดที่ ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันดับไม่มีวันหมดธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟอวกาศธาตุอวกาศธาตุก็คือเนี่ยสิ่งที่ว่างๆอยู่ตรงนี้เราเรียกว่าอาวกาศธาตุใช่ความว่างแล้วก็ธาตุรู้ก็คือใจนหกตัวนี้เป็นตัวที่สร้างจักรวาลนี้ขึ้นมาดวงดาวอะไรต่างๆมันมาจากธาตุทั้งหกนี้ล่ะ โดยอาศัยอ า, ากาศที่กว้างใหญ่ๆแล้วก็สร้างดวงดาวสร้างดวงอาทิตย์สร้างดวงจันทร์ขึ้นมาดวงจันทร์มันก็เป็นธาตุใช่ไหมธาตุดินจะส่วนใหญ่ธาดวงอาทิตย์ก็ธาตุไฟส่วนใหญ่ร้อน่มันเป็นธาตุทั้งนั้นแล้วมันก็ทำให้เกิดมนุษย์ขึ้นมาโลกนี้มันเป็นโลกที่มีธาตุสี่ครบถ้วน มันก็เลยมีต้นไม้มีมนุษย์มีอะไรต่างๆขึ้นมาแต่มันมีแล้วเดี๋ยวมันก็ดับมีแล้วก็ดับนะต้นไม้บุกมันขึ้นมาเดี๋ยวมันโ ต, ตเติบโตใหญ่โตเดี๋ยวมันก็ตายแล้วก็มีต้นใหม่ขึ้นมาร่างกายคนก็เหมือนกันนะเรเกิดมาเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็มีคนใหม่มาเกิดใหม่เกิดตายเกิดตายกันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆใหญ่ก็มาครอบครองร่างกายแล้วก็มาทุกกับร่างกาย เพราะความหลงเป็นหลงคิดว่าตนเองเป็นร่างกายก็เลยไม่อยากให้ร่างกายตายไม่อยากให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ทำให้ใจทุกข์แต่ความอยากความอยากเป็นเหมือนเชื้อโรคของใจเป็นจุกที่ทำให้ใจไม่สบายแต่ถ้ารู้ทันรู้ว่าร่างกายไม่ใช่เราก็ปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไปใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย พระอาจาถึงสองในให้พวกเรามันเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายไม่ใช่เราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟที่จะต้องมีการแยกตัวกันในที่สุดเวลาที่มันแยกตัวเขาเรีาตแตกใช่ไหมธาตแตกก็ไม่สบายเวลาธาไม่ปกติก็เกิดอาการไม่สบายก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ถ้ารักษาได้ก็ทําให้มันเป็นปกลับมาเป็นปกติชั่วคราวแล้เดี๋ยวได้เสกรักษาไม่ได้ พราะธาตุนี้โดยธรรมชาติมันเมื่อมารวมกันแล้วมันก็อยากจะแยกออกจากกันพอถึงเวลาแยกออกจากกันร่างกายก็หายไปที่เป็นร่างกายก็เป็นเหมือนไอติมเนี่ยนะไอติมนี่พอไปตั้งไว้ข้างนอกตู้เย็นเดี๋ยวเดียวเดี๋ย ว, ยวมันก็ละลายกลายเป็นน้ำไปหมดจะปั้นมันเป็นรูปอะไรก็ได้ไอติมสมัยนี้ก็เจ่งเนี่ยทําเป็นขนมเค้กก็ได้ทําอะไรก็ได้แต่ถ้าทิ้งไว้ข้างนอกสักพักเดี๋ยวมันก็ละลายไปหมด กลับไปเป็นธาตุน้ำร่างกายเราก็เป็นเหมือนไอติมเนี่ยแหละเดี๋ยวสักวันมันก็จะละลายสมัยนี้เราก็ละลายด้วยไฟให้มันกลายเป็นขี้เถ้าไป mm hmm. พอร่างกายไม่หายใจเขาก็เอาไปเผากันนะเผาแล้วก็ mm hmm. ไหม้ไปส่วนที่เหลือก็พวกเศษกระดูกพวกขี้เถ้านั่นเองเกร่างกายของของเราแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ถ้าเรายังหลงอยู่เราก็เราก็ทิ้งร่างกายไปแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่เพราะเรายังมีความอยากอยู่ยังอยากหาราบยาศสารเส ร, ริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็ต้องไปเกิดใหม่ <ừ. S 1> ถ้าไม่อยากจะไปเกิดใหม่ก็ต้องหยุดหยุดความอยากที่จะหาลาบยศสารเส ร, ริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะหยู่หาได้ก็ต้องมีความสุขในตัวก่อน ต้องมีความสุขในใจมีความสงบนีเราเลยต้องมารักษาศีลมานั่งสมาธิกันเพื่อให้เกิดความสงบขึ้นมาในใจมีความสุขพอมีความสุขแล้วก็จะได้สอนใจว่าอย่าไปทําตามความอยากนี่คือปัญญาทําตามความอยากแล้วต้องไปเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าหยุดความอยากได้ก็ไม่ต้องไปเกิดตอนนี้เรามีความสุขแล้วเราไม่ต้องไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญแล้วไม่ต้องไปหาความสุขจากอะไรแล้ว หาจากความหาความสุขจากความสงบแค่นี้เหนือเฟือ่องเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นวันหมดเป็นของเราไปตลอดตอนนี้พวกเราไม่มีตัวนี้กันก็เลยยังต้องไปหาราบยกสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันอยู่แต่ถ้าได้ตัวนี้มาลแล้วลับลองได้ไม่ไปแล้วอยู่วัดดีกว่าสบายกว่าเออ หาที่สงบนั่งสมาธิไปแล้วก็คอยตัดความอยากที่มันยังคอยมาหลอกมาล่อเราอยู่เพราะสมาธิมันไม่ได้เป็นตัวฆ่าความอยากมันเพียงแต่หยุดความอยากชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาพอคิดมันก็จะคิดเหมือนเดิมคิดว่าอยากจะไปหาคนนั้นหาคนนี้หาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้อันนั้นอะถึงต้องใช้ปัญญาเราสอนมาเป็นเป็นการไปหาความทุกข์เป็นความสุขเดียวเดียว อยากหาคนนั้นหาคนนี้พอไปเจอกันใหม่ๆก็ดีใจเดี๋ยวสักพักก็ต้องจากกันอีกแล้วพอเราจากกันก็โทุกข์อีกแล้วอย่าไปเลยไปแล้วก็ต้องจากกันไปทําไมอยู่ที่นี่แหละจากกันให้มันจากกันอย่างถาวรไปเลยหมดเรื่องหมดราวเลยอะไรไม่ต้องทุกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะรับไหมลูกมาก็ดีใจใช่ไหมห้าวันเดี๋ยวลูกก็กลับไปและวแล้วเดี๋ยวก็อยากให้กลับมาอีก เราใายปัญญาว่าอย่าไปอยากเขาจะมาก็ปล่อยเขามาเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปถ้าเราจะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะความอยากของเราถ้าเห็นด้วยปัญญาต่อไปก็จะหยุดความอยากได้หมดพอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีอะไรมาฉุดลากให้ไปทําอะไรไปหาอะไรก็อยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้ อยู่แบบพระพุทธเจ้ากินแล้วนอนนิพพานังปลมังสุขขัง ถ, ถึงตรงนั้นมันก็ไม่ใช่ง่ายนะทุกคนไม่ยากหรอกมันมันยากกว่าที่ไม่ทํานั่นเองถ้าทํามันง่ด้จะตายไหมกว่าจะทำก็ต้องตั้งท่าแล้วตั้งท่าย่ว้คงไหว้ครูกันเมือนเหมือนนักมวยไม่ ย, มยามขึ้นไปต่อยนั่นเองจะไหว้ครูรอบเวทีไ่วยเสร็จก็ลงเวที กลัวเจ็บกันยังสมาธิพอเจอความเจ็บหน่อยก็ถอยกันมันก็เลยพอเจอศัตรูก็ถอยแต่พอเจอคู่ต่อสู้ก็ถอยจิตมันก็เลยไม่ไปถึงไหนเลยทีมันไม่ผ่านทุ ก, กเวทนาไปได้มันไปมันไปไม่ได้หรอกต้องผ่านมันให้ได้วิธีผ่านง่ายๆก็ใช้คําบริกรรมไปเวลามันเจ็บก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่าไปสนใจมันเดี๋ยวมันทะลุไปเอง เดี๋ยวพอสักพักความความความอยากให้ความเจ็บหายหยุดไปปับ๊บความความทุกข์ก็หายไปความทรละมานใจก็หายไปแล้วสึกเบา อ, อกเบาใจนั่งนั่งอยู่กับความเจ็บได้แล้วมันจะรู้ว่าอ๋อมันอยู่แค่ตรงนี้เองเราไปอยากให้มันหายเราอยากจะหนีจากมันพอเจอความเจ็บปับ๊บอยากจะลุก่ะอยากจะให้มันหายแนละนั่งต่อไปไม่ได้นะมันก็ะไปไม่ถึงไหนไที ถ้าอยากจะไปต่อพระ้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปให้มันขาดใจไปกับพุโทโธเลยรับลองไนดะ้ถ้ามันขาดใจเมื่อไหร่กิเลสมันตายเมื่อนั้นเราจะรู้สึกใจนี่เบาขึ้นมาความเจ็บนี่มันวูหายไปไหนก็นไปเนี้ยตรงนี้มันเกิดจากใจเราไปปรุงไปแต่งไปสร้างมันขึ้นมาเองเป็นขยายมันเอาแว่นขยาย มดตัวนิดเดียวว่านไปขยายมันก็เลยเห็นตัวเมื่อเลาความเจ็บนี่มันเจ็บนิดเดียวแล้วเอาความกลัวของเราไปขยายมันกลัวความเจ็บนะบางทียังไม่เจอความเจ็บแล้วก็ไปแล้วหมอบอกจะฉีดยาให้สักเข็มอะไรนี้ใจกลัวไปก่อนนะเจ็บไปก่อนนะงั้นอย่าไปกลัวร่างกายไม่ใช่เรามันจะเจ็บมันก็เราก็ไม่ได้เจ็บเราเป็นเพียงแต่รู้เป็นอนู้รู้ความเจ็บก็รู้ไปเฉยๆนะั่นเอง รับรู้ไปเท่านั้นเองม่เห็จะเป็นปัญหาเหมือนคนดูหนังน่ะคนดูหนังไม่ได้ตายไปกับดาราในตัวแสดงในในจอเลยแต่คนดูกลับไปกลัวแทนคนแสดงสยคนแสดงเขาไม่กลัวเขารู้เขากข า, าลังเล่นใช่ไหมแต่าลาก็ถ่ายทําก็กลัวกันไนยะแต่คนดูไม่รู้คือเป็นของจริงลืมไปดูหนังแล้วก็ไปกลัวแทนพระเอกนางเอกนะ <c oughs> ไม่รู้เฉยๆไม่ดูเฉยๆไปเล่นอย่าไปเล่นชีวิตนี้เราอย่าตัวร่างกาย id, อย่าไปเล่นอย่าไปเล่นเป็นร่างกายเล่นเป็นผู้รู้อย่าไปเป็นร่างกายตอนนี้เราหลงไปเล่นว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยเดือดร้อนแทนร่างกายถ้าเราฉลาดเราเตือนมีปัญญาสอนใจว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ให้รู้เฉยๆเราเป็นพี่เลี้ยงของร่างกายพูดอย่างนี้ดีกว่า เราเลี้ยงมันไปดูแลมันไปเอมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันเหมือนเราเลี้ยงหมานี่เราไม่ค่อยตื่นเต้นตกใจไปกัมันเท่าไหร่มันอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไปอพยายามเลี้ยงร่างกายเหมือนเลี้ยงหมาเราจะสบายใจเอาแล้วนะพอสมควรแต่กระดาหมดหนึ่งชั่วโมงก็จะขออนุมโมทนาให้พร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 จัโทปนะ阿拉โสยทามณิโชติ阿拉โสยทัสสะพิติโยวิวัชฌาตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีดิสานิจจังอุทถาปะจายิโน ยะตาโรธรรมวาทานติอายุวณูสุขังภาลางนี่ยมีอะไรอยากจะถามไหมธรรมะไม่เคยก้าวหน้าท้อค่ะเพราะมันยังไม่ได้ผลนะ้ามันได้ผลแล้วมันจะมันจะติดใจ รสแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงยังไม่ได้สัมผัสรสแห่งธรรมมีแต่ได้ยินว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ยังไม่ได้จินไม่ได้สัมผัสถ้าได้ชิมสักคำหนึ่งโอ้โหมันติดใจนะ ม, มีอะไรมันทิ้งหมดเลยเอาธรรมะดีกว่าคัาง้งแรที่จิตเราสง บ, บนี่มันไม่อยากได้อะไรนะมีงานก็ลาออกเลยลาออกจากงาน มันไม่ก็ยัง ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่ได้เจอของดีเลยถ้าเจอแล้วมันจะยากอเพือ่อปัดคามนี้มาแต่อ่าที่มีเอาไว้แบบเดี๋ถ้าเกิดเราไม่ตายแก่แล้วเราก็ต้องมีอ่ามีซ้ร<ม><ม>ำรองเผื่อไว้อืมเพราะว่าพอเราเป็นคนแก่ค่าใช้จ่ายสูงนะคะ อ, อย่างแม่ที่บ้านค่าใช้จ่ายโดยแม่ร้านค่า จ, จาา้างคนดูอะไรค่าทุกอย่างค่ะเดือนยังไม่ต่างประเทอืม ก็แล้วแต่เราต้องมีแบบไหนมีแบบไม่ไม่ต้องมีแบบนั้นก็ได้แบบแบบแบบวรบบนละสามร้อยก็ไเอาแบบวรนละสามร้อยก็ได้กั้นนั่นขั้นต่ำเขาก็ อ, าบบ อ, าาอยู่ได้ก็ไม่มีคนดูแล <c oughs> ก <c oughs> แลัว <c oughs> ก็ปล่อยมันตายเร็วๆเ็ยถึงเวลานั้นนั่นไนะคยังคิดว่าเราป่วยแล้วเราไม่ต้องรักษาเราตาตายไม่บาปไหม่บา <c oughs> ถ้าเราไม่ไปฉีดยาฆ่าตัวเราเรือทให้เราตายเพราว่าเราป่วยแล้วก็ปล่อยมันไปอ่าก็ปล่อยมันไปตามไม่ บ, าไ ม, บาไม่บาไม่บาอยู่ไปตามมีตามเกิดไม่ได้ฆ่าตัวตายา ต, ตามบุญตามกรรมคิอใจเน่ยอยากจะเอาเงินไปทำบุญให้หมอ แบบแเราไม่รู้เราจะตายพรุ่งนี้เราตายอีกสาสิบปีที่เก็บเอาไว้เพราะว่าเผื่อตายอีกสามสเอาไปทําบุญดีกว่าวเดี๋ยวเวลาถึงเวลาคนเขาจะมาช่วยเราเยอะแยะไปหมดอเออไม่ต้องกลัวถ้าเราเป็นคนใจบุญเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาคนเขาจะมาช่วยเดี๋ยวเราเองทเทวดาจะส่งมาไม่ต้องกลัวขอให้มีความดีไว้เถอะความดีมันจะดึงดูดทุกอย่างมาหาเราเองเองินไม่ดึงดูดมานะ ดึงงานมันก็จะดึงแต่พวกฮะพวกพวกพวกเหลือพวกอะไรมาแต่ก็ไม่ได้อยากได้เพิ่มนะคะเราไม่ได้อยากได้เพิ่มมีแต่ว่าเออที่เราดีอยู่ตรเนี้เราไม่สนัเกิดเราไม่ตายล้วเกิดแก่อมามาสร้างทรนะคะทำแต่เราก็ควรจะทํามากกว่านี้อีกถ้าเราไม่คิดว่าเรามปมาสร้างความสงบดีกว่าถ้าสร้างความสงบได้แล้วมันนักน้อยนิดเดียวมันก็อยู่ได้ กินข้าววันละมื้อมันก็อยู่ได้นอนมนแคร่ไม่ไผายมันก็นอนได้ไม่ต้องมีอะไรมากถ้าใจมันสงบแนละ้วมันทางร่างกายนี้มันอยู่แบบมักน้อยสันโดดได้ยินดีตามบุญตามกรรมตามมีตามเกิดได้ไม่ต้องมีมากถ้ามีความสงบนะอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่บ้านคนชะลาก็ได้ไม่รู้เดอย ว, ว่าพาเราไปเองบุญอย่าพาเราไปเอง ยังเวลาขอ้มีบุญมีความสงบก็อย่างแล้วมันอยู่ที่ไหนก็ได้อย่างที่เมื่อกี้เริ่มตน้นตอนที่พูดอยู่ในคุกก็ได้ออยู่ในคุกก็ไม่เดือดร้อนใจที่สงบแล้วไม่ได้อยากไปไหนอยากจะอยู่เฉยๆอยู่กับที่อยู่ในคุกก็ดีได้อยู่กับที่ไม่ต้องไปไหนแล้วมีคนเลี้ยงตลอดใช่ไหมมีอาหารฟรีสามมือมีรอปรพอดูแลยี่บสี่ชั่วโมง เจ็บไข้ในป่วยก็มีสถานพยาบาลในคุกนะทุ้งอย่างในคุกคดีจะตายไปสำหรับคนที่ไม่มีที่ไปนะไปติดคุกกันดีกว่าดีก็ไป็นขอทานข้างถนนเนี่ยไม่มีใครดูแลเลยซ่้ไปทำทาบาสหน่อยไปขโมยข้าวขโมยของใเขาตัดแล้วก็ไปติดคุกเนี่จะได้มีคนเลี้ยงดูเรา พูดเล่นนะพูดเล่นเนาะที่บ้านป่าไม้เลยกมาวันนี้แล้วก็อยู่จนถึงวันที่มันพุหน้ามันพุ่หน้าเลยพึ่งมาครั้งแรกเหรอพึ่งมาครั้งแรกแล้วใครแนะนำมาเลยคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ของทิศการนะคะทิศการคุณลาศีเลยะออดีคุณลาศีเขาก็มาเป็นประจำ รสึกมาทุกเดือนเนอะเพิ่งกลับไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อวันอาทิตย์่อมาดูมาอาทิตย์ี่แล้วกับมาเมื่อวันอาทิตย์วันร์วันเสาร์แต่ยังไม่ได้อยู่ยังไม่ได้อยู่วันนี้จะมาวันแรกเลยก็คือจองไว้แล้วก็มาดีลองทำดู้เก็บตัวสำรวมตาหูจมูกวินกายอย่าสงใจออกไปทางข้างนอกดึงใจเขาข้างในถอดปลั๊ก ตอบรากตาหูจะบกดึกลกายออกไปไม่รับรู้อะไระลืมโลกนี้ไปเลยคิดว่าเราตายไปแล้วจากโลกนี้ ค, คือเรียนถามนิดนึงก็ค่ะออพอดีที่ห้องเห็นมีเขียนว่าปฏิบัติตีสองถึงตีห้าเขาม็เข็นไว่เป็นเป็นเป็นแนวทางแนะนำไม่ได้ข้อบังคับไม่มีใครมาตรวจมาอะไรกเลยคือว่าพอเห็นปุ๊บก็เลยคิดว่าเอ๊ะ แต่อยากทราบเหมือนกันว่าอันนี้ใครใครคิดแล้วมันมีมีแบบว่าแบบนี้ตีสองถึงตีห้าใไมไม่หรอกคือเขาเอาตามแบบพระพุทธเจ้าที่สอนพระเนี่ยอ๋อพระพุทธเจ้าตีสองถึงตีห้าไม่หรอกพระพเจ้าสอนให้พร ะ, ะปฏิบัติตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่แล้วสี่ทุ่มถึงตีสองให้พระจากตีสองก็ตื่นขึ้นมาก็ปฏิบัติจนถึงสว่างอ ก็เลยเขียนเป็นแนวทางไว้เพื่อคนที่มาไม่รู้ว่าจะปฏิบัติเมื่อไหร่จะได้รู้ว่าอ่อเนี่ยคือเวลาที่ดีที่สุดด้วยตอนเช้ามืดมันเงียบ ม, มันสงบนอนประมาณคือละสีห้า 4, ชั่วโมงก็พอถ้านอนสีทุ่ก็ตีสองก็ตื่นแล้วตื่นแล้วเราก็นั่งสมาธิเดินจงกรมไปถึงเช้าสว่างแล้วก็ทำกิจเกี่ยวกับร่างกายทาอาหารหาอาหารในกินไป แล้วแล้วก็ปฏิบัติต่อเดินจงกรมนั่งสมาธิเป้าหมายแรกก็คือฝึกสติให้มากๆควบคุมความคิดให้ได้ใจมันร่างกายอยู่ตรงนี้แต่ใจมันยังกลับไปบ้านอยู่เรื่อยๆนะต้องคอยดึงมันมาบอกอย่าไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธดึงมันมาถ้าไม่มีพุโทโธไม่มีสติเดี๋ยวมันไปรอบโลกเนาใจมั้นถ้ามันไปรอบโลกมันไม่สงบ มันต้องอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้เวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบนะพอมันมันมีความสุขแล้วทีนี้มันจะมันจะเห็นคุณค่าของการฝึกสติเห็นคุณค่าของความ ส, สงบแล้วมันจะสนุกมันจะภาวนาอย่างสนุกเหมือนกับคนที่ทำงานแล้วได้เงินเดือนเนี่ยได้เงินเดือนทำมันสนุกยิ่งทำมากยิ่งได้มากเลย แต่ถ้าทําไปแล้วไม่ได้เงินเดือนนี่มันไม่สนุกนะมันเบื่อที่เราปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลก็เพราะเราไม่มีสติกันเรามันเลยให้เราเบื่อเรปฏิบัติได้สักพักหนึ่งกําลังมันมันมันอ่อนลงแรงศรัทธาความอยากจะปฏิบัติมันจะอ่อนลงแล้วมันจะทําให้มันไม่มีกําลังใจที่จะปฏิบัติดังนั้นเราต้องพยายามปฏิบัติให้มันเห็นผลให้ได้ าการจะเห็นผลได้ต้องมีสติเป็นหลังต้องมีพุทธโธพุทธโธอยู่ในใจตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยหรือไม่เช่นนั้นกใ็ให้มันเฝ้าดูการกระทําของร่างกายในเดียบุตรต่างๆจะยืนจะเดินจะนั่งจะทําอะไรก็ให้มีสติอยู่กับงานที่เราทําอยู่อย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิให้มากๆ ทำใจให้สงบให้ได้ถ้ามันสงบแล้วมันจะมีความสุขมากแล้วมันจะไม่อยากได้อะไรแล้วมันอยากจะนั่งสมาธิบ่อยขึ้นมากขึ้นออท่านครับคือตอนที่ปฏิบัติที่โครงการก็มันกัว่าพอเข้าให้เรานั่งนานๆแะ้วก็พอเรานิ่งปั๊บแล้ ว, นนล ว, ออลวก็มันก็จะเกิดเวทนาค่ะก็คือเหน็บกินเ อ, อแล้วพอช่วงที่เหน็บกินเนี่ยเราควรที่จะ ดูดูดูอากัปปิยาที่เน็ตกินหรือเราควรที่จะไม่ต้องสนใจมันไม่ควรสนใจเพราะโดยปกติถ้าเห็นถ้าไป็นดูแบบแล้วมันอยากจะให้มันหายไงหรืออยากจะหนีจากมันเพราะเกิดความอยากมันจะทําให้ทรมานใจแต่ถ้าเราเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจมันพุโทโธพุโทโธไปดูลมไปความเจ็บก็จะความอยากให้ความเจ็บหายไปมันก็จะไม่มีเพราะเราลืมความเจ็บไป เวลาเรานั่งดูหนังปวดฉี่บางทีเรายังไม่ยอมลุกเลยดูต่อไปได้ออแต่ถ้าไม่ได้ดูหนังแล้วปวดฉี่ป้าต้องรีบลุกไปเข้าห้องน้ำและวแล้วช่วงไหนที่ที่บอกว่าหลอกจาเป็นคือพอเราสมาธิสมตัวปัญญาช่วงไหนนที่คนเราเราเอาตัวปัญญามาพิจารณาเออตอนจริงเรายังไม่มีสมาธิกันหรอกยังปัญญานี้จะมันมันเกิดก็ไม่มัน คือปัญญามันไม่เกิดจากสมาธิปัญญามันเกิดจากการค่าควรอย่างที่เมื่อกี้บอกให้คิดอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยอันนี้ต้องต้องคิดอยู่เรื่อยๆเพราะไม่ไม่อย่ันมันจะลืมอันการคิดนี้คิดได้ตอนที่เราไม่ได้ทําสมาธิไงเวลาที่เรานั่งสมาธิเราไม่ต้องการคิดตอนนั้นอย่าไปทําปัญญาตอนนั้นให้เพ่งอยู่กับลมหรือให้อยู่กับพุทโธอย่างนี้เพื่อหยุดความคิด เราต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติปัญญา ก, กรสมาธินี้เป็นสองเป็นคาบ เ, เป็นสองห้องเรียนไม่เหมือนกันเอามาปนกันไม่ได้ปนกันก็เหมือนกับเอาน้ำเย็นกับ น, น้ำร้อนมาผสมกันมันก็น้ำเย็นก็ไม่ได้น้ำร้อนก็ไม่ได้เวลาเรานั่งสมาธิเราต้องการหยุดคิดนั้นตอนนั้นเราไปทางปัญญาไม่ได้คิดไม่ได้แต่เวลาต้องการปัญญาต้องคิด แต่คิดไปในทางที่เป็นปัญญาคิดไปตามความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราเนี่ยคิดอย่างนี้เรียกปัญญาคิดเพื่อให้เราไม่หลงไม่ลืมเพื่อเราจะได้ไม่ยึดไม่ถือไม่ติดกับของที่เรามีอยู่ตอนนี้เราจะหลงลืมเชื่อเป็นของเราไปหมดใช่ไหมบ้านกับของเรากเงินกับของเราสามีก็ของเราลูกกับของเราเราไปหมดเลยแต่ถ้า มาคิดถึงคําสานของเจ้าท่านบอกไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นของชั่วคราวเรามาตัวเปล่าๆเดี๋ยวเราก็ไปตัวเปล่าๆให้คิดอย่างนี้อมันจะได้เข้าใจว่าเออนี่เรากําลังหลงนะกําลังไปเอายึดของที่ไม่ใช่เป็นของเราาเป็นของเราเดี๋ยวเจ้าของก็มาขอคืนไปก็เราก็จะเสียใจนะเพราะเราจะไม่ยอมเสียไม่ยอมให้เขาจากเราไปแต่ทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่มันจะต้องจากเราไปนะไม่ มันไม่จากเราเราก็จากมันไม่ช้าก็เร็วอันนี้ปัญญาอันนี้ให้คิดตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิตอนเดินจงกรมตอนทำอะไรเนี่ยคิดอย่างนี้ได้แต่ไม่ค่อยคิดกันพอไม่ได้พอไม่ได้นั่งสมาธิก็คิดถึงลูกคิดถึงส า, ามีห่วงคนนั้นห่วงคนนี้อยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้กันชอบคิดอย่างนั้นกันคิดไปในทางกิเลสกันมันถึงต้องมดึงมาถ้าไม่มีสมาธิจิตมันจะมาทางปัญญายาก เพรากิเลสมันมีกําลังมากกิเลมันจะเดึงให้ไปคิดทางทางแม่นะเมื่อกี้มานั่งคุยขณะฟังธรรมะยังพอพูดเรื่องนั้นก็ห่วงแม่ห่วงอะไขึ้นมานะไม่ได้คิดว่าแม่เดี๋ยวก็ต้องตายแต่เกี่ยวแม่ต้องตายก็ไม่ต้องห่วงมากเลี้ยงแม่เหมือนเลี้ยงหมาตัวหนึ่งนะอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไป เ, เรื่องร่างกายเราก็เหมือนกันร่างกายเราก็เลี้ยงมันเหมือนหมาตัวหนึ่งไปห่วงมันแล้วไปหยุดมันได้เปล่า มันจะตายมันก็ตายให้มันอยู่ได้ให้มีให้ข้าวปินให้น้ำให้น้าดื่มให้มีที่อยู่อาศัยไม่สบายมียาก็รักษาไปไม่มีก็ก็ช่วยไม่ได้สุดวิสัยแต่เราไม่คิดอย่างนี้กันใช่ไหมเราคิดว่าต้องอยู่ต้องไม่ตาย แ ล, แล้ว ก, ก, ก็ไม่ได้ห้าม<ๆ>ก็ไม่ได้มไมได่ดูแลเพียงแต่ว่าดูแลแบบไหนดูแลแบบหลงหรือดูแลแบบไม่หลงใช่ดูแลแบบไม่หลงก็ตามบุญตามกรรมได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้าดูแลแบบหลงก็ต้องเต็มที่ <c oughs> <c oughs> เต็มที่ก็าตายเหมือนกันตามบุญตามกรรมก็าตายเหมือนกัน ก็ไม่ยอมคิดจรงว่าต้องตายกันทุกคนเอกะัใจดัดำไม่ดำเราก็ก็ทําสุดสุดความสามารถของเราไงถ้าเป็นร่างกายของคนอื่นเราก็ไม่เห็นไปสนใจเลยใช่ไหมถ้าเขาไม่ใช่แม่เราเนี้ยเขาจะนอนกลางถนนก็เรื่องของเขาเไย แต่เราคิดว่ามันไม่เหมือนเราดูเองนั่นแหละใช่ไหมต้องเหมือนต้เป็นต้กับลูกจ้างมันก็เลยทําให้เราวุ่นวายไปให้ดูแลแบบไม่วุ่นวายความหมายที่พูดเนี่ยให้ดูแลเต็มกําลังแต่ใจเราอย่าไปวุ่นวายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้ามันสุดกําลังของเราแล้วสุดความสามารถของเราแล้วก็เท่านั้นดูยังไงมันก็ตายอยู่ดี เราก็เหมือนกันเราก็ดูแลร่างกายเราไงเดี๋ยวก็ตายเหมือนกัน mm hmm. ก็ดูไปตามอัตภาพกแล้วกัน mm hmm. พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ดูแลอะไรวิเศษร่างกายเพราะนั้นไม่มีโรงพยาบาลไม่มีอะไรท่านก็ดูแลไปตามอัตภาพวันน mm ี hmm. ้ทำเ e ซบุ๊ ก, กมาเท่าไหร่สูงสุด421 YouTube เก้าสิบสองครับอาจารย์อ๋อนี่เป็นบุกสูงนะสี่ร้อยกว่าวันนี้ก็สี่ร้อยกว่าอืมอันนัน จ, จะขึ้นสี่ร้อยสักทีส่วนใหญ่ยังอยู่ช่วงสามร้อยกว่าวแต่ที่เขาแสดงในในในหน้ามันจะคนเข้าถึงนี่วันละประมาณสามหมื่นแต่เข้าถึงก็รับรู้รับรู้ว่ามีมีมีโพสต์อยู่แต่อาจจะไม่ได้ดูวิดีโอไม่ได้ดู เข้าถึงเข้าถึงต้องดูรู้สึกห้าวิหรือสาวิขึ้นไปเรียกว่าเข้าถึงเพร่าไม่ใช่เข้าไม่ใช่เข้าถึงเข้าถึงอาจจะไม่ได้ดูก็ได้ไม่ได้ดูนอาจจะอาจจะมีผ่านตาเนี่ยครับอาจจะมีมีข้อความบอกว่าวันนี้มีมีโพสต์ใหม่แล้วอคนที่ติดตามเขาจะรู้ทันทีอยู่่ทีเทีเเอพราะว่ามันห่างกันสิบเก้าชั่วโมง สิบสี่ช่วโมงพดีนะบางทีก็ดูอนังอหนังสบายกว่ามันก็เหมือนกันนะแต่บางทีดูไลฟ์ก็ดีอย่างมีฝรั่งคนอยู่ลาสเวกัสเขาก็ติดตามอยู่ชื่อโทนี่โรเมีวันนี้เข้ามาหปล่าไม่ได้เข้ามาไม่ไม่มีครับอ๋อมีครับมาเฮ้ยเฮลโลพอด How you Tony How's everything in Las Vegas Win Lottery อาจารย์ขปครับพอาจารย์ครับเมื่อวานเมื่อวานที่ผมถานให้แม่ชีเอที่เรื่องผู้ป่วยนะครับอาจารย์ระหว่างตอนนั้นเขาหนักมากเลยนะครับเป็นน้าของแม่ชีแล้วเป็นคนที่ทํารั้วเป็นคนที่สร้างกุฏิอะไรให้ในสามารถในสวนครอาจารย์ตอนนั้นเขาหนักมากและตอนที่เขาฟังพระอาจารย์อยู่เนี่ยพอฟังเสร็จเนี่ยเขายกมือท่วมขึ้นอย่างเงี้ยครับอาจารย์เหมือนสาธุแล้วที่เรื่องแฝกคือเมื่อคืนครับอาจารย์เมื่อคืนเนี่ย ก็คืออาการตอนแรกก็ดีมาผมก็ช่วยก็ช่วยช่วยมาแล้วพอผมก็บองไม่ชี้ไม่ไหวแล้วนะจะปล่อยแล้วนะก็สรุปว่าเมื่อคืนก็เลยไปพอตอก่อนที่เขาจะไปครับอาจารย์ก็คือเขายิ้มแย้มเขากบบมีสติเขาถ่ายรูปดึงดึงญาติพี่น้องมาถ่ายรูปเหมือนอย่างเนี้ยครับเหมือน mm hmm. แต่ตอนที่ไปคือแปลกอาจารย์ครับคืออยู่ๆนะเขาอะ่ะ mm hmm. ก็เอาเครื่องช่วยหายใจอ่ขึ้นเองอืม mm hmm. ทุกคนก็คิดว่าจะหายใจได้เองมั่งเร็วออก mm hmm. อะไรเงี้ย สรุปว่าพอออกเนี่ยไม่ใช่ชีพจรเริ่มต่ำต่ำต่ำตัำเขาจะเอากัดเข้ามาอืมเขาไปยื้อว่าไม่ต้องเอาอืเขาปล่อยวางศีลแสงว่าแล้วอาจารย์เขาปล่อยวางร่างกายได้เขาไม่เขาไม่ยื้อม่อะไรมันเขาเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายมันถึงเวลาต้องไปก็ปล่อยมันไปอย่าไปฟื้นมันดีกว่าฟื้นก็ทารมานไปเปล่าก็ดีตายอย่างสงบ ตายอย่างยินยอมตายอย่างยินดีไม่ไม่บาปอะไรนะคระับอาจารย์ไม่บาปนี่บุญนี่แหละตายแบบบุญอ่ามีบันทึกของดุเปลี่ยนดวงเปลีปยป่ยนที่เป็นคุงที่สร้างเขาหงหมอ่ะก็เสียชีวิตในขณะที่เสียชีวิตน่ก็มีแม่ชีบันทึกว่าสนธนาอะไรกับท่านกอน อ, อันนี้เราเป็มันมยอ่าแล้วก็ปล่อยวางให้แม่เอาหมอได้ ก็จะสอนให้ให้พิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้ำลมไฟอถึงเวลามันต้องไปก็ปล่อยมันไปตอนที่พ่อจะเสียะะตรงกับวันอาทิตย์วันนั้นยังทํางานก็จะไปเฉพาะเสาที่พ่อเขาอยู่ที่ชีวแล้วพอหัวใจหยุดเต้นหมอกปะะ็ปั๊มอะค่ะปั๊มครั้งที่สุดที่หนึ่งอยู่ได้สกส็สองสาวันปั๊มครั้งที่สองก็งอยู่ได้อีกสองสาวัน วันอาทิตยทางโรงพาบาลโทรมาว่าหยุดเป็นอีกแล้วอยากให้ตั้งอีกไห ม, มก็เลยเป็นคนตัดสินใ จ, จบอกว่าไม่ต้องตัง้งไม่ต้องั้งกปอั้งแต่เรามีความรู้สึกว่าเราบ้าหรือเปล่ามันคาใจตัวเองมาตลอดนะว่าการที่เราบอกว่าปล่อยเพราะปล่อยก็คือไปค่ะมันก็เลยคาใจว่าเราจะบ้าไหมไม่หรอกเขาจะได้ไม่ทรมานหลายรอบไม่เออมันนั่งมวยถ้าปล่อยขึ้นไปก็โดยก็ชกอีกอย่าไปให้ปล่อยก็ชกยอมแพ้นี่กว่า ก็ไม่ได้ชนะก็อยู่ดีคื อ, ถ, ถ, อ, อถ้าปั๊มก็อาจจะอยู่ได้อีกสักวันสอวันแล้วแล้วก็ปั๊มใหม่แล้วก็เจ็บตัวทุกครั้งที่ปั๊มมันก็เจ็บทรมานปล่อยไปตามธรรมชาตินี้ไม่เป็นไรเช่นเราไม่ใช้เครื่องหายใจไม่ถอดสายสอดอะไรหมดนี้ไม่เป็นไรอย่างหลวงปู่ชาเนี่ยท่านก็ตอนช่วงสุดท้ายชีวิตท่านก็นอนแบบตุ๊ ก, กตามีเครื่องช่วยทุกอย่าง ลกศิลป์ลกหาก็ไม่มีใครกล้าที่จะไปทําอะไรต้องให้หลวงตาแล้วไปสั่งว่าถอดร่างให้หมดไปทรมานท่านทําไมเพราะว่าจิตมันยังต้องรับรู้ขันคือร่างกายอยู่ร่างกายตอนนี้มันก็เป็นเหมือนไฟมันร้อนอยู่ตลอดเวลาเป็นไข้ไปทรมานท่านทําไมปล่อยให้ท่านอยู่ตามธรรมาชาติของท่านถ้าท่านอยู่ได้ท่านก็อยู่ถ้าท่านอยู่ไม่ได้ท่านก็ไป อะไรไม่ยื้อกันนานไม่ต้องทรมานนานแต่ท่นนี้เอามาลูกเส์ไปหนึ่งท่านเข้าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ถ้าไม่ยอมเข้าโรงพยาบาลเน่ะถ้าลูกเสดเลือกกันโอเคว่าต้องทําเพราไม่ทำแล้วกลัวตัวเองจะรู้เสร็กว่าตัวเองบาปตัวเองไม่สบายใจแต่ความจริงเนี่ยไม่ทําอะไรเนี่ยดีที่สุด คือถ้ามันทําอะไรไม่ได้แล้วก็อย่าไปทำมันของท่านด้ว่าท่านมาสั่งไว้แล้วถ้ายังรักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็อย่าไปเอาเครื่องหายใจเครื่องอะไรมาทําหน้าที่แทนน่างกายเลยมันก็เพียงแต่ยืดเวลาไปเท่านั้นเองท่านก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้กับกายกายเป็นภาระไปเปล่าทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งยาทั้งอะไรเอาเนื้อที่เอาเตียงไปรักษาคนที่รักษาได้ดีกว่า ตอ น, นี่รักษาไม่ได้ก็ปล่อยเข้าไปเถิดไม่บาปเราไม่ได้ใจจืดใจดำอะไรพูดตามเหตุผลตามความเป็นจริงพวกเรามันก็ยังเสียดายยังรักยังโหงอยู่ถ้าไม่ทําอะไรก็จะรู้สึกว่าใจจืดใจดำไปเดี๋ยวเปิดโถเก๋าให้ทางบ้านถามหน่อยอีกสิ15้านาทีถ้าจะอยู่ต่อก็ได้จะไปก็ได้ไม่เป็นไร า5นาทีครับคำถามจากทางเ c e บุ๊กก่อนนะครับคำถามจากคุณวันศุกร์นะครับพอได้คุยกับคนที่ไม่ชอบเสร็จแล้วก็มาคิดวิาพากษ์วิจารณ์ว่าพูดแบบนี้เขาพอคิดไปสักพักก็รู้สึกว่าตัวเองต่างหากแย่ที่ไปวิาพากษ์วิจารณ์เขาเราต่างหากที่ผิด ที่ไม่ชอบเขาและเขาจะเป็นอย่างไรเรื่องของเขาพอคิดได้แบบนี้มันก็รู้สึกเบาและมีความรู้สึกที่ไม่ชอบตอนแรกนั้นหายไปการที่คิดแบบนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะอ่าเนเป็นปัญญาคือเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราคนเรามันมีทั้งดีมีทั้งชั่วเราอาจจะไปเห็นส่วนที่ไม่ดีของเขาเราไม่ได้เห็นส่วนที่ดีของเขา แต่เราก็ไปทําให้เขาดีหรือไม่ดีไม่ได้จากการวิาพากษ์วิจารณ์ของเราก็ปล่อยเข้าไปแล้วเราจะสบายใจจากคุณณสิกานะครับวิธีฝึกกําจัดนิสัยเก่าทําได้อย่างไรบ้างคะก็อย่าไปทําซ้ำเลยเป็นสูบ ป, ปุ๋ยอยากจะสูบก็อย่าไปสู่มันอยากจะดื่มโซลาก็อย่าไปดื่มมันพอเราฝืนมันไปสักระยะหนึ่งมันก็จะหายไป ใจเก่าก็จะหายไปจะคุณโอเปนะครับขับรถชนหมาตายโดยไม่เจตนาเพราะถ้าไม่ชนรถอาจจะปมจะบาปไหมคะทาบุญให้หมาจะได้รับบุญใหม่เจ้าคะไม่บาปหรอกส่วนบุญเขาจะรับหรือไม่รับก็อยู่ที่สถานภาพหลังจากที่เขาตายไปแล้วว่าเขาไปเป็นอะไรถ้าไปเป็นเทวด า, าก็ไม่ต้องเขาก็ไม่ต้องรอรับบุญถ้าเป็นเปรตเขาก็จะรอรับบุญอยอะ จากคุณชิดชนกนะครับเวลานั่งสมาธิแล้วรู้สึกง่วงนอนทําอย่างไรเจ้าคะ่ะก็หยุดรถเสหยุดขึ้นมาล้างหน้าล้างตาออลุกขึ้นมาเดินให้มันหายง่วงแล้วก็ค่อยขับต่อไปถ้าขับไปโดยที่ง่วงเดี๋ยวก็ต้องอชนกับรถคันอื่นเพราะมันจะหลับในจะคุณกัมมิการะครับโยมได้นั่งสมาธิจนได้พบกับสิ่งที่พระอาจารย์ท่านบอกว่าลดพระธรรมจากการนั่งสมาธิเป็นความสุข ที่สิ่งใดในโลกก็เทียบไม่ได้เจ้าค่ะถึงแม้จะเป็นเสี้ยวนาทีแต่โยมก็สุขใจในการได้รู้ขณะนี้โยมได้รับสิ่งที่บังเกิดที่ดีที่สุดในชีวิตโยมคือได้กราบาหวพระบรมสารีริกธาตในทุกๆวันและบางครั้งท่านก็เสด็จมาเพิ่มให้โยมได้มีกำลังใจนี้เป็นคาบอกเล่าครับเ<อ>่าคําถามจากคุณพัชะระทัศนะครับ การนั่งสมาธิชอบมีเสียงมารบกวนเวลาเรานั่งเอาสำลีอุดหูดีไหมครับสามารถทำได้ไหมได้ถ้าเราอยู่ในที่ที่มันหนกหูแล้วก็หาอะไรมาอุดหูอุดป้อ ง, งกันเสียงแต่ทางที่ดีถ้าเรามีสติ ด, ดีไม่ต้องไม่ลำคาญก็ไม่ต้องอุดกด็ได้ที่เรารำคาญเพราะใจเรายังไม่สงบใจเรายังไปรับรู้เรื่องเสียงอยู่ แต่ถ้าเรามีสติที่สามารถควบคุมใจให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธและอยู่กับลมได้เสียงมันก็จะไม่มาลาคาญไม่มาทําความลาคาญให้กับเราจากคุณพีโกนะครับขอแนวทางปฏิบัติหรือการพิจารณาเพื่อให้ได้โสดนาบันก็ต้องมีศีลก่อนรักษาศีลศีลห้าศีลแปดแล้วก็มีเวลาไปฝึกสติทําใจให้สงบให้ได้สมาธิถ้าได้สมาธิแล้วก็ ศึกษาธรรมชาติของร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความเจ็บได้เราก็เป็นโสดาบันได้ไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายจะคุณอุบลรักนะครับการที่เราอุทิศบุญให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วอุทิศโดยไม่ได้ใส่บาตรโดยนึกถึงบุญที่เราทาทาแบบนี้ได้ไหมคะ มันบุญที่เราทำนู้มันหายไปไหนแล้วอมันต้องเอาบุญแบบสดๆร้อนๆไปใส่บาตรปุ๊บแล้วก็อุทิศไปนี่มันแน่นอนกว่าดีกว่าไปนึกถึงบุญเมื่อปีที่แล้วนั้นเราเด่ดมันบูดมันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นึกยังไงมันก็ไม่มีความสุขมันต้องมีความสุขใจอิ่มใจสิ่งที่เราอุทิศไปคือความอิ่มใจสุขใจที่เกิดขึ้นจากการทําบุญตอนที่ตอนที่เราได้ทํา ตอนพอเราใส่บาเศเสร็จเราเราจะรู้เสร็จว่าเราสุขใจอิ่มใจตอนนั้นแหะควรจะอุทิศไปเลยถ้าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปทําอะไรสักภาคเดียวมันหายไปแล้วเราไปสร้างอารมณ์ใหม่ขึ้นมาไปทะเลาะ ก, กับคนนั้นคนนี้กลายเป็นอารมณ์บุญเบี้ยวขึ้นมานะน่าจะอุทิศไปต่อไปก็จะกลายเป็นอารมณ์บูญเบี้ยวไปยั้นเวลาทําปุ๊บไม่ต้องร้อยพระสวนญาถาสักพีไม่เกี่ยวนะการอุทิศบุญนี่ไม่เกี่ยวกับพระต้องให้พลอยเข้าใจไหมนะ โยมใส่บาตเสร็จป้าโยมก็นั่งอธิษฐานตรงนั้นเลยพอพระเดินผ่านไปก็ขอทิศสุดขอทิศส่วนบุญความสุขใจอิ่มใจนี้ให้แก่ท่านที่ยังหิวอยู่ใครมีความหิวก็มาแบ่งความอิ่มใจสุขใจจากเราไปได้อันนี้ก็เสร็จแล้วคำถามจากคุณสถาปัตย์นะครับฝึกสติเดินจงกรมแล้วจิตใจโปร่งโล่งสบายขึ้นเรื่อย แบบนี้เรียกว่าจิตรวมหรือเปล่าครับยังไม่รวมจิตมีสติจิตรับความคิดตรุงแต่งต่างๆทําให้จิตว่างเย็นสบายถ้าจะรวมนี้ต้องนั่งเฉยๆต้องนั่งนิ่งๆร่างกายต้องไม่เคลื่อนไหวเพราะการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เป็นการเคลื่อนไหวของใจใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวถ้าต้องการให้ใจนิ่งก็ต้องให้ร่างกายนิ่งก่อนร่างกายนิ่งแล้วก็มาทําให้ใจนิ่งคือหยุดความคิดให้ได้ ถ้าหยุดความคิดได้จิตก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบบางทีก็ตกลุมตกบอ่อลงไปวุบลงไปแล้วก็นิ่งก็สงบเต็มที่อย่างนั้นหนึ่งที่เรียกว่าสมาธิจากคุณเชก้านะครับการฝึกปฏิบัติกรรมฐานคือการฝึกจิตให้ตื่นรู้กับปัจจุบันมองเห็นขันห้าเกิดขึ้นอยู่ดับไปใช่หรือไมค่ครับก็การฝึกจิตก็มีสองระดับ ระดับแรกก็ฝึกให้จิตสงบควบคุมจิตให้นิ่งให้สงบให้ได้ก่อนแล้วขั้นต่อไปก็สอนจิตให้ฉลาดให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตมาครอบครองนี้เป็นของชั่วคราวไม่ใช่ของจิตสักวันหนึงจิตจะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปเพื่อเวลาเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาจะได้ไม่เสียใจคำถามจากคุณอ้อยนะครับถ้าบรรพร ะ, ระลุกจองกระถินไวแล้วท่านเสียชีวิตไปก่อน แล้วลูกหลานทํากรถิ่นในนามบรรพบรุษไม่ทราบว่าท่านจะได้รับบุญกระินนี้ไหมคะหรือลูกหลานจะเป็นคนได้คนทำนะได้คนคนที่ไม่ได้ทําก็ไม่ได้ยังให้รีบทาตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้าอยากจะได้บุญถ้าตายไปแล้วเราไม่มีโอกาสได้ทำํำนะจากคุณเฉลิมชัยนะครับสอบถามเรื่องเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขากกับเรื่องตัณหา การมักตันหาภาวตันหาวิภาวะตันหายาวไปก็เวทนาก็คือความรู้สึกทางร่างกายความทั้รู้สึกทางร่างกายก็มีสามเวลาหิวข้าวนี่ก็ทุกขเวทนาในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกขเวทนาพอได้กินข้าวอิ่มก็เป็นสุขเวทนาระหว่างเวลาที่ไม่หิวไม่ไม่อิ่มก็เรียกว่าเป็นกลางกลางความร่างกายมีเวทนาสามชนิด สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวลาเราหิวข้าวนี่เราเรียกว่าเราทุกขเวทนาพอเราได้กินข้าวอิ่มแล้วก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาระหว่างที่เวลาที่เราไม่หิวเวลาที่เราไม่อิ่มก็เวลานั้นก็เรเียกว่าไม่สุขไม่ทุกขเวทนามันก็เปลี่ยนไปตามอาการของร่างกายที่มันมีการเปลีปย่ยนแปลงไปของมันเราถ้าไม่อยากจะทุกขกับเวทนาเราก็ต้องอยากไปอยากให้มันสุขอย่างเดียวอยาให้มันไม่ทุกข เพราะถ้าเรามีความอยากมันจะสร้างความทุกข์ทางใจขึ้นมาอีกการหนึ่งความทุกข์ทางใจนี้เกิดจากความอยากของเราอยากให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นหายไปเช่นเวลาเจ็บปั๊บอยากจะให้มันหายไปพอมันไม่หายก็เกิดความทุกข์ขึ้นม า, าเวลานั่งสมาธิแล้วร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ทุกข์แหละเพราะอยากจะให้มันหายแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายเจ็บมันก็ปล่อยมันเจ็บไปใจเราก็จะไม่ทุกข์ใจเราก็จะอยู่กับ ความเจ็บของร่างกายได้วิธีนี้จะทําให้ใจเราไม่ทุกข์ว่าเวลามันอยากเราก็ใช้พุทโธหยุดมันเวลามันอยากเราก็พุทโธพุทโธพอใจเราธรทรมาน ก, กับความเจ็บแล้วก็เหมั่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปให้มันอยาบไปคิดถึงความเจ็บลืมความเจ็บไปแล้วความอยากให้ความเจ็บหายไปมันก็จะหยุดไปแล้วเราก็จะอยู่กับความเจ็บได้อย่างสบายใจก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาตอนนั้นอุเบกขานี้เป็นทางใจ ใจทุกข์หรือใจเป็นอุเบกขาส่วนทางกายนึงก็มีสามีสุขมีทุกข์มีกลางกางไม่สุขไม่ทุกข์เน้นความความความเจ็บความเจ็บมมีสองสส่วนเจ็บ ai, ai, ang, ang, ทางกายกับเจ็บทางใจสุขทางใจกับสุขทางทางร่างกายไม่เหมือนกันมีสาเหตุไม่เหมือนกันทางร่างกายก็เกี่ยวกับเรื่องของความบกพร่องของร่างกาย ขาดน้ำขาดอาหารมันก็ทุกข์ขึ้นมาพอได้เต่น้ําเติมอาหารมันก็สุขขึ้นมาส่วนความทุกข์ทางใจก็เกิดจากความอยากสามประการอยากได้นั่นอยากมีนี่อยากไม่ได้นั่นอยากไม่มีนี่แล้วก็ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็จะหายไปก็เป็นความสุขเป็นอุเบกขาขึ้นมาใจเป็นอุเบกขาก็ใจก็จะมีความสุขไม่ทุกข์กับเหตุ ก, การณ์ต่างๆ